เงินเราไปที่อาจารย์พรมพิรายกค่ะบันดีอาจารย์สบายดีนะคระับอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะอาจารย์สบายดีนะคะสบายดียังรับบาทได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ่ะเอยังออกเป็น บ, บ, บาตอยู่ดีค่ะอาจารย์คุณทุกคนบายดีนะวันนี้ก็นนไม่ได้มีอะไรนะคะ่ะมีแต่ทางวัดที่ตักบาตรทุกวันอาทิตย์แจ้งมาว่า ที่วัดก็ติดโควิดกันก็จะไม่มารับบาทอยู่หลายสัปดาห์อยู่ค่ะที่วัดศรีบุญเรืองอะค่ะต่อไปก็ จ, จะถึงทางทางทางวันนี้บ้างมันคงกันนีไม่พ้นนะ่ะต้องเตรียมต<า>ัวเตรียมใจเพราะว่าระ บ, บาดกันกันเยอะมากค่ะแต่ถ้าถี่ฉีนวัคซีนแล้วก็คงจะโอเคไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล ก็อย่าติดก็ดีค่ะดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะที่บ้านมีผู้สูงไว<ม>อยหนี่คนหนึ่งใช่ค่ะก็หวังว่าคงังไม่ติดแต่ก็คิดเผื่อไว้ว่าถ้าติดจะทำยังไง ไ, ไม่ติดนะคะ่ะไป <ผม S 1> ห้าม ม, มันได้ห้ามได้<ำ>ดีเลยห้า ม, มัน ไ, มไ ด, ดไป ไปสางอื่นก่อนค่ะวิปัสสนามันต้องวิปัสสนาเลยมันไม่ใช่มันวิปัสสนาอนันตาเนี่ยมันไม่บังคับมันได้ยังไงอ่ะพยายามพยายามถ้าถ้าทุกคนบังคับได้กับชให้มันไล่นอกไปนอกโลกนี้นค่ะบังคับมันไม่ได้มันไม่ยอมไปนก็ต้องหัดทำใจนะแล้วมันมาก็ต้องอยู่กับมันไปค่ะอ่า จะได้ไม่ทุกข์ไม่ไม่วุ่นวายใจค่ะไม่มาได้ก็ดีมาก็ต้องยอมรับกับความจริงโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะค่ะค่ะรับฟังค่ะผมมลิบมามามีอะไรไหมมีครับกับรมัสการของพ่อครับก็มีคำถามครับกับการ ละกามในกับการละสัพยาธิฐิ่นี่ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไหมครับหรือว่าต้องละสัพยาทิถิ่ก่อนแล้วค่อยไปฝึกละกามหรืออะไรยังไงครับหลวงพ่อก็มันเป็นหลักสูตรปริญญาเห็นมันปริญญาเตยก็น้องละสักยาธิถิวิจิกิจชาศีลปฏิบัติปรมาสก่อนแล้วค่อยไปละกามาราค า, า, าต่อครับตธรรมต า, มานะ อ่าคือแต่ตอนปญญไนอป ญ, ญาตีคือฝึกคู่กันยังไม่จบเป็น ญ, ญาตียังไปทำเป็น ญ, ญาโทแล้วโอเคครับพอใจไห ค, ครับอ่าครับเขาจะสังโยชนินตนี่ก็เป็นสังโยชนโยนตสิบนี่ก็เป็นหลักสูตรเนี่ยสังโยชนสามข้อรแรกก็ระดับเริญญาตีอ่าสองข้อต่อมาก็ระดับเริญญาโทแล้วอีกห้าข้อสุดท้ายก็เป็น ญ, ญาเอกนะ ก็คิดว่าการสินแป็นกนี่เป็นการอะไรอ่ะการเวลาอ่ะก็เป็นการกอฟ้ามวยก่อดตัดกิ่งตัดก้านแต่ยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนอะไรการถือศีลเนี่ยนะกัดตัดตัดกิ่งต้นไม้แต่ต้นไม้ไม่ตายเพราะศีลหรอกเพราะการตัดกิ่งเนี่ยมนงอกขึ้นมาใหม่ต้องถอนรากถอนโคนอันนั้นต้องวิปัสสนาต้องปัญญา ครับเป็นภาพเลยครับในอาทิตย์ที่ผ่านมามีบททดสอบในชีวิตอย่างหนึ่งคือฝึกมรณะรูสติมาเป็นปีคุณตาท่านเสียวันก่อนพอดีครับแล้วเราก็ดูว่าใจเรากระทบไหมครับหลวงพ่ออ่าแล้วกระทบไหมล่ะเออกระทบแต่ไม่กระเทือนนะครับหลวงพ่อก็ดีแสดงว่ามีได้ฉีดวัคซีนทรมากเข้าไปแล้วครับแล้วเราก็แบบเราก็แบบโอเคความตายก็อีกหน่อยก็จะถึงเราก็ได้นะแบบในบ้าน ว่าพูดอระ ม, มงคคนทําไมมัอยากพูดเรื่องความตายผมก็ความตายมันก็ควรพูดนะจะได้ไม่ประมาททำมากก็ดีอย่างเนี้คนะครับเหมือนบางทีเนี่ยตอนเวลาคิดถึงความตายก็ไม่ค่อยสบายใจครับแต่ก็คิดบปว่ า, ามันก็มันก็ยอมรับได้มันหีไม่คนน้นนะครับผมก็เลยแบบ ฝึกนึกถึงความตายของคุณตาแล้วของตัวเองของคนในครอบครัวต่างๆแบบมาเป็นปีแล้ววันนี้ก็เลยแบบได้ลงสนามของคุณตาเออวันนี้ก็ไปเก็บอัฐิของคุณตามาครับหลวงพ่อต้องมีพิธีกรรมอะไรอย่างน้เราก็ารู้ว่ า, ามก็รู้ว่ า, ามัน<บ>ถ้ไม่ได้ศึกษาทำอะไรคงยังไม่ได้เป็นแาบนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้ามาผมก็ตั้งใจว่าจะไม่กินพาราในคืนนั้นเพราะอยากรู้ว่าเอาจริงๆเมื่อเราจะตายจริงๆมันทรมายกว่านี้มากเราวลองฉีดวัคซีนมันมีผลกระทบแต่ไม่ตายแล้วก็ลองดูสภาพจิตตอนนู้นเป็นยังไง ร, ร่างกายมันก็ร้อนทุลนทุลายแต่จิตใจมันมันจะบอกไม่ร้อนเลยก็แบบก็พิสกัดได้เยอะอยู่เหมือนกันครับก็รู้ว่าอ๋อโอเคเราฝึกมากได้ผลบ้างเหมือนกันถึงแม้ร่างกายจะร้อนแต่จิตใจเราไม่ร้อนตามอย่างเนี้ยครับหลวงพ่อ ดีเพราะว่ า, วาความความทุกข์มันไม่ได้ดับด้วยยามันดับด้วยธรรมะมครับถ้ากินายนาเพื่อไปลดความความทุกข์ทางกายครับแต่เว่าวันต่อมาผมต้องใช้ชีวิตแบบไปทํางานหรือว่าใช้ชีวิตปกติผมต้องกินพาราจะได้มีความสำจะได้แบบทํางานในชีวิตประจําวันไหวอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อืมแต่ว่าไปกันแต่ว่าลองดทดสอบ ซ้อมก่อนที่จะถึงวันตายจริงๆเพราะตายจริงๆมันต้องทรมานมากกว่านี้มากจริงๆครับก็เลยลองซ้อมดูก่อนอย่างเงี้ยครับก็ดีถือว่าสู้กับเวทนาทุ่มกัเวทนาไปบ่อยๆให้มันถ้าวันจิตใจรู้สึกเฉยกับมันเหมือนกับความตายเฉยกับความตายเฉยกับเวทนาได้ก็สบาย เพราะตอนเกิดเวทนานี่แบบคำว่ามัชิมาปฏิปทาของหลวงตาที่ท่านสอนบ่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนกันครับว่าไม่มีอะไรที่พึ่งได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่างกายนี้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงๆอย่างนี้ครับหลวงพอ่อคือดีดครับโอเคไม่ท่นี่แล้วก็าก็ส่งฝากเงินคุณหลาไปทำคุณหลวงพ่อแล้วครับแล้วสาธุโมทนา เดีวไป<อ>ท่านท่านต่อไปนะรครับคุณนันทพัฒน์ใชคุณนันทัฒกราบธรัสการเจ้าค่ะอาจารย์กราธมอเนีใช่ค่ะอาจารย์เจ้าค่ะก็มีวันนี้มีประมาณห้าขา้อเจ้าค่ะก็ข้อแรกคือเอ่อก็คือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมางานค่อนข้างเยอะก็เลยปฏิบัติไม่ค่อยได้เยอะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เจาา้าค่ะก็ องไปแต่ที่กับเรียนพระอาจารย์เมื่อครางที่แล้วเจ้าค่ะว่าไปสมัครคอร์สออนไลน์แล้วเพื่อเพื่อปรับปรุงเรื่องการทํางานแต่พระอาจารย์ได้เตือนอันนึงค่ะทําให้ลูกสะกิดใจก็คือพระอาจารย์บอกว่าระวังมันจะแฝงมากับความอยากได้นาตําแหน่งเพิ่มหรือเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะลูกก็เลยไปลองพิจารณาลึกๆดูเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเรายัางมีตรงนี้ไหมปรากฏว่ามันมีเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่มันมีแบบว่า ถ้าเราได้ตำแหน่งเพิ่มเราได้เงินเพิ่มก็ดีเราจะได้เก็บเงินที่ไปใช้ตอนที่เราจะปีกไปตอนบ้านไปลายเร็วๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ไม่เป็นภาระใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าถ้ามันไม่ได้คิดแบบว่าทะเยอทยานว่าจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ยังถือว่ามันยังไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกิเลสที่แรงใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ไม่ไปคิดได้อย่างกันเป็นเริ่มจิตใจจิตอยใช่ไหมคะ เราไม่จักคิดเราเองบ้างเนี่ยต้องมาถามทุกหน้่มาตายถ้ า, าไม่มีเราตอบจะทำยั <c oughs> งไงกาใช้ปัญญามันมันต้องคิดเราเองถ้าคนอื่นตอบให้มันก็ไม่ได้เป็นปัญญาของตัวเองเดี <c oughs> ย๋ยวมันมีปัญหาใหม่มันก็คิดแม่เป็นเองมันก็ต้องให้คนเดินคอยมาตอบให้เราอยู่ด้วเจ้าขาดพอใจเราไม่มีใครจะรู้รู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเอง <Yeah. S 2> แล้วถ้าเกิดเราไปตอบแล้วมันไปขัดกับกิเลสอาจจะเกิดกาต่อต้านเราขึ้นมาก็ได้เราไม่รู้สึกตัวมันจะมานั่งเถียงกับเราเงีงเราถึงไม่อยากจะตอบปัญหาเหล่านี้ก่อน oh. ต้องรู้ว่าเป็นกิเลสรือไม่เป็นกินเลสปฏิบัติได้เลยจะได้คาจัดมันได้ออื mm hmm. ปัญญาก็าคือสอดสอ่อนด้วยว่าความคิด นี่อ่านใจอย่างของเรานี่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสอือเจ้าค่ะถ้าถ้างั้นหล่กวิธีที่พิจารณาง่ายๆเราเคยพูดเสมอก็คือถ้าไม่ได้มันแล้วไม่ตายก็สแสดงว่ามันไม่จําเป็นต้องมีมันอืมถ้าถ้าไม่ไม่ได้มันแล้วจะต้องตายอันนั้นอ่ะมันมจําเป็นต้องมีมันอคิดอย่างนี้อือ ทำไปเลยนนหลักสูตรนี่ตายไหมอืมก uh ิ huh. เลสมันฉลาดนะมันจะหลอกก็ uh huh. เอาเงินไปทาบุญเอาเงินไปนู่นไปนี่มาได้มาแล้วลืมไปลืมเจตนาลมลืงมันจะไปทาไปเที่ยวแทนไปซื้อนู่นซื้อนี่แทน uh huh. มาทาเลยนไปรู้ไม่ชี้ไปลืมไปเลยเห็นคนสมัยนี้บางทีไปบนบานสารกล่าวจะไปบวชสามเดือน พอได้อะไรมาแล้วมาขอต่อรองทีหลังว่าขอเอาแค่สามวาทิศได้ไห ม, มคุณเป็นคนเวลาเวลาไปบนเหมือบนอย่างดีพอถึงเวลาจะแก้บวนไม่ยอมทำตามที่ตัวเองบวนไว้มาขอต่อรองว่าอ้างบุนอ้างนี่ขึ้นมาเรื่องาราวเหล่านี้มันคุณต้องไปคิดเอาเองว่าคุณมีความจริงใจกับตัวคุณเองเท่าไหร่ อือมเจ้าค่ะถ้างั้นหลักการที่ที่พระอาจารย์บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าภาวนาดีดีกับตัวเองก็คือใจสงบไม่ทุกข์แล้วก็หยุดกิเลสได้อันนี้อันนี้ให้ใช้หลักการอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ก็เอาใจสงบเพืก็หยุดได้แต่มันมันแต่มันจะหยุดได้ทุกตัวหรือเปล่าตัวที่มันฉลาดกำลังสะรู้ทันมันหรือเปล่าอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ แล้วก็กลับเดียนถามอีกเรื่องหนึ่งเจ้าขาพระอาจารย์อันที่ที่บอกว่าในบ้านปายจ่าจะจะไปอยู่วัดอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ถ้าถ้ามันเป็นลักษณะของคนที่ไม่ได้ไปบวชอย่างเงี้ยได้ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ไม่ได้ไปบวชเป็นชีอย่างเงี้ยเจ้าขาแต่อยู่บ้านคือมีการทําบุติทําใส่ศาสนะให้เป็นเหมือนวัดอย่างเงี้ยได้ไหมเจ้าขาพระอาจารย์จะทําอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นอ่ะอยู่ที่ตัวคนอ่ะ เราก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนึ้นได้เรื่องงานเหล่านี้คุณต้องไปช่างตัวเอาเองว่าวิธีการไหนเหมาะกับคุณที่สุด<อ>เราก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเรามีเงินใช้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่บวดในปบบปฏิบัติอยู่ที่บ้าน<อ>แต่พอมาเปรียบเทียบ ก, บกับการอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวกับการมาอยู่วัดอยู่กับ คณะสงอยู่กับคุูบาจารย์กับเพื่อนปฏิบัติเนี่ยว่ามันต่างกันคนละโลกเราอยู่คนเดียวนี้เราเป็นอาจารย์สอนตัวเราเองซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกกิเลสมันหลอกเป็นอาจารย์โดยที่ไม่รู้สึกตัวถ้าไปอยู่ครูบาอาจารย์นี่มันมันจะมีมาตรฐานใหเราวัดว่าเราปฏิบัติถึงถึงได้นไหมเอ่ยไหมมันมันมันต่างกันเยอะ แต่กิเลสมันจะหลอกลเราว่าอเอยู่บ้านปฏิบัติมังราคนเดียวไม่ได้มันได้แต่มันจะได้อะไรได้กิเล น, เนี่เพราะกิเลสมันไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใครไม่ไม อ, อยู่ใต้กดใต้ระเบียบนะกฎระเบียบนี้มีไว้เพื่อมาฆ่ากิเลสกิเลสมันถึงพยายามหาวิธีเอ่อออานนูนอ่านนี่เพื่อให้ไม่ให้เราจะต้องไป ที่ว่าเราเราตั้งกฎระเบียบเองได้ไม่ได้หรอกพรากิเลสมันเป็นตัวสร้างให้เหรากฎระเบียบของทีในบางทีเราต้องไปอาศายาคนที่ไม่มีกิเลสสร้งกฎระเบียบไม่ ห, หรอกนะคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สําหรับลูกมีมีประมาณนี้เจ้าข่ะพระอาจารย์ส่วนอีกลูกคุณป้าอีกท่านหนึ่ง ที่อยู่ในเฟซบุ๊กท่านมีสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ท่านท่านจะจะขอโอกาส ก, กับให้กับเรียนพระอาจารย์จ้าค่ะท่านบอกว่าเมื่อวันก่อนท่านดูดูเพลงฟังเพลงในทีวีแล้วแล้วเห็นคนร้องก็เกิดความความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าควรจะดูกระดูกที่อยู่ข้างในไม่ควรฟังเพลงอย่างนี้จ้าค่ะพระอาจารย์แล้วยังไงล่ะ ไ ม, ไม่แน่ใจจ้ะค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันต้องไปสู่การที่ที่พิจารณาให้ตัดการมราคะอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันถึงจะถือว่าได้ได้ผลใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมีการมราคะหรือเปล่าท่านนั้นใม่มันไม่มีเหมือนเวลามันไม่เป็นไค่กินยาล้อนไขมันเกิดประโยชน์อะไรึรเปล่านาะว่าเวลาเป็นไค่แล้วไม่มีไม่กินเนี่ย ไปกินอย่างอื่นแทนถึเวลาพิจารณาก็หน้าเพราะเกิดการมาลาคะลืมยาไปเลยอือเจ้าค่ะครับกลับไปดูเสียงที่การมาลาคาต้องการให้ดูอือดูดีแต่มันต้องต้องต้องดูให้มันเป็นกิจารลักษณะดูให้มันฝังอยู่ในใจไม่ใช่ดูแบบๆแล้วก็ว่าเป็นยังไงไม่เป็นยังไงแร้ว ดูแค่แวัฟเดียวมันก็มันก็แค่นั้นเป้าหมายมันต้องดูจะกระทั่งมันฝังอยู่ในใจสามารถเรียกมันขึ้นมาดูได้ทุกเวลาที่เราต้องการ น, นั้นคือการพิจารณาทำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ น, นิจจังก็ต้องให้มันเห็นตลอดเวลานึกถึงตลอดเวลาไม่ใช่เห็นแต่เฉพาะนั่งตอนพิจารณาแล้วพอเลิกพิจารณาก็ไม่เห็นแล้วเห็นทุกอย่างเป็นนิจจังไปหมด การพิจารณากรดูกก็เห็นในกระดูกพอเลิพิจารณาก็เห็นมันของสวยงามหล่อเล้าไปหมดนี่นี่ ม, มันก็พิจารณาไปมันก็ยังไม่ได้ไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเจในการที่มาเล่าให้ฟังว่ามีความคิดอย่างนี้เาจะทำยังไงเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมค่ะจะค่ะการจะพิจารณามัราะฉะนั้พิจารณาให้มันในกระด้างมันจําได้เหมือนท่องสูตรคูณ ยังดีๆกันก 2, 2ได้ก็สองคูณสองได้สี่แล้วก็หยุดไปแค่นั้นแล้วก็ครั้งต่อไปจําไม่ได้แล้วสองคูณสองได้เท่าไหร่จะค่ะมันต้องจําได้ทั้งหมดไงจาได้ตลอดอาการสาหที่สองอสุภะซากศพศิษประการอย่างเนี้ตอนนี้เห็นไหมล่ะตอนนี้ก็ไม่เห็นอกันใช่ไหม<ช>ไม่ได้นึกถึงมัน ก็เราไม่ได้ฝึกจิตให้มันเห็นไมันต้องฝึกจิตให้เห็นมองใครไปก็เห็นอาการทาที่สองมองเห็นทาลุกเข้าไปภายใต้ผิวหนังก็เลยแต่ถ้ามันเป็นนิสัยสามารถที่จะเบียกมันขึ้นมาดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ถ้ามันไม่มีไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มันมไม่มีอาการก็ไม่ต้องดู พอมีอาการเราก็ต้องดูมันทันทีเหมือนต้องมีเตรียมยาไว้เตรียมยาแค่ปวดไว้ถ้าไม่มีอาการปวดก็ไม่ต้องกินมันพอกเกิดอาการปวดขึ้นมาไม่ใช่วิ่งไปหายายาอยู่ตรงไหนมันต้องมียากินได้ทันทีเจ้าค่ะการพิจารณาทำต่างๆนี่มันเป็นเหมือนยามาดับโลก คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากต่าง ๆ, ๆนี่ฉันถามว่าด<า>ีไม่เห็นกะระดูกก็ดีแต่มันไม่ใช่เห็นแต่เฉพาะว่าพหนึ่งแล้วก็มันต้องฝึกดูไปเรื่อยๆทั้งของตัวเราทั้งของคนอนื่นเวลาเราเห็นใครตอนนั้นนะคนจะฝึกตอนนั้นอย่างเช่นตอนเนี้เรามาเจอกันเนี่ยเห็นกระดูกคนนั้นันนี้ดีไหมดีเห็นหรือเปล่า ไม่เห็นกันใช่ไหมลืมไปเลยใช่ไหมค่ะตลาดเวีปารสนานจริงๆมันต้องมันต้องเห็นแล้วไม่ต้องอย่างไรต้องคิดแล้วว่าให้เห็นกระดูกเขาหรือเปล่ า, ลาเนีห็นหน้าเขาเห็นกระโหลกศีรษะอยู่ใต้ผิวหนังเขาหรือเปล่าผิวหน้าเขาหรือเปล่าเจ้าขามาจากเป้าหมายก็คือต้องให้เห็นให้ได้ตลาดเวลาที่เรา เจอคนเห็นร่างกายนี้คนจะเห็นให้มันครบทั้งข้างนอกทั้งข้างในบรรยายนเราเห็นแต่เฉพาะข้างนอกอย่างเดียวไม่เห็นข้างในจึงทาให้เราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาจริงยุคนี้มีสื่อที่ชอบเอารูปที่กระตุ้นกามอารมณ์มาเผยแพรให้อยู่พอดูปภาพนี้มันต้องทะลุเข้าไปในกระดูกเ ข, ขาเห็นกระดูกมาเต้นรนักเตนกาไม่ใช่ คอยต้องคอยตีอะไรมาใช่ค่ะเข้าใจไหเข้าใจเจ้าขาวพาจ่ะแล้วก็ณวันนี้ก็คือได้หลักสุดๆเลยก็คือถ้าปัญญาจริงๆก็คือต้องลึกเข้าไปในความจริงใจกับตัวเองว่าเรามีกิเลสอะไรที่ที่มีอยู่เราออกมาแก้ไขให้หยุดมันให้ได้ใช่ไหมเจ้าขาวพาจ่ะออาเจ้าขา เขต้องถามตัวเองเป็นกิเลสหรือเปล่าค่ะเพราะเรารู้ดีที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์การเป็นกิเลสมันก็คือมันถ้ามันถ้ามันสิ่งที่อยากได้ถ้าไม่ได้มาแล้วตายหรือเปลเาถ้าถ้าตายสิ่งนั้นก็ไม่เป็นกิเลสเช่นลมหายใจเหล่านี้ถ้าไม่ได้หายใจนี้ตายหรือปล่าต้องอยากหายใจอยากหายใจแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลส เจ้ะขาะมาจา้ะอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งชุดในนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าเสื้อต้าที่มีอยู่ใส่ไม่ได้นี่นอยองไงจะขาดมาจา้ะอันนี้มันต้องใช้ใช้หลักตรกกะเหตุผลถามตัวเราเองค่ะเจ้ะขาะมาจ้ะค่ะสําหรับวันนี้มีเท่านี้เจ้าขาะมาจา้จ ะ, าาาะาาาโอเคสาธุสาธุเจ้าค่ะ คุณหมอภาสนานปฐุมเนี่ยก็นอนท่ามุนีค่ะคพระอาจารย์ปฐุมนะอ่ากรุงเทพค่ะพระอาจารย์ค่ะนัสสวัสดีมาคุหลักด้วยนะคะก็วันน uh ี้มีสามคำถามค่ะพระอาจารย์คำถามแรกนะคะพระอาจารย์เอ่อเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนคำถามพระอาจารย์ตอนชุวงนี้โควิดระบาดพระอาจารย์ใส่แมสสองชั้นนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ทราบพระอาจารย์มีเฟซถ้าเฟซิลได้จะดีเพราะว่าไวรัสมันมันไปด้วยรอออนะคะพระอาจารย์ใกล้ทามหรือเปล่า ใครถามเราหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะไปเห็นกิเพสอาจารย์ด้วอ่ะนั่นเองทำไมต้งสอบต้องบอกด้วยล่ะอยากบอกใช่ไหมเอาเห็นเอาขอโทษท่บอาจารย์กั้นถามเลยอ่าถามค่ะอาจารย์เป็นกิเลสหรือเปล่าอ๋อเป็นกิเลสที่แบบเออใช่เป็นกิเลสที่อยากให้พระอาจารย์รักษาสุขภาพใช่พระอาจารย์เป็นกิเลสเห็นแล้วค่ะไหนไม่ได้จะระวังมากตอนนี้ครับพระอาจารย์ ค, คำถามไปนะครว่าอาจาย์คำถามแรกนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกให้ไปแบบนอนการีพีนการ์เซก็คือไปปีวิเวกที่มันนานมากขึ้นถูกไหมคพระอาจารย์เพื่อจะได้ไปดูจิตของตัวเองนได้ทั้งวันก็ไปสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อย่างเนีน้ใช่ไหมครพระอาจารย์คือเริ่มจากน้อยๆไปก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับไปคิดว่าเอ๊ะที่อาจารย์แนะนําเนี่ยหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าคะให้ไปทำทั้งวันก็มันอยู่ได้คนเดียวเป็นานที่ไรได้เงี้ยไม่ดิวไปได้ตลอดเลยยิ่งดีอื่ะ ก็อยู่ที่เราสามารถจะไปปรีเว้งได้ได้ได้มากได้น้อยอะแต่การปรีเว้งนี่มันเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะทําให้การปฏิบัติเราก้าวหน้าค่ะและปรีเว้งก็ก็ก็คือว่าตอนนี้ก็คือรอโควิดเพราะตอนเนี้ยก็จะไปที่เขาแต่แล้วก็มีรองของพระอาจารย์ต่างแล้วก็อาจจะดูว่าถ้าเกิดไกลๆที่การลิงกังไซก็อาจจะเป็นมัทผูสังโขก็คือมองไว้จีพี่ๆพระอาจารย์แนะนำสามวัดนะคะพระอาจารย์แต่ตอนนี้รอสถานการณ์โควิดพระอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ว่าจะออก มันจะออกออกไปได้หรือเปล่าค่ะแต่จองไว้แล้วพระอาจารย์ถ้าออกได้ก็จะออกไปเลย <laughs> ค่ะอันนี้ข้อแรกนะพระอาจารย์ขอ้อข้อที่สองเนี่ยพ อ, อาจารย์คะความอยากเนี่ยมันเป็นอารมณ์ผลจิตใช่ไหมคะมันเป็นสัญญากับสังขารใช่ไหมคะความอยากนะคะไม่ใช่หรอกความอยากมันเป็นกิเลส <c oughs> เป็นกิเลสเราใช้สัญญาสังขารเป็นเครื่องสัญญาสังขารไม่ได้เป็นตัวกิเลสพระพุทธเจ้าก็ยังมีสัญญาสังขาดดรบบ ในแต่ถ้าไม่มีกิเลสเป็นตัวใช้สัญญาสังขารอ๋อแสดงว่าตัดเราไม่ไม่ไม่ใช่การตัดสัญญาสังขารมันคือตัดที่กิเลสความอยากมันต้องตัดกิเลสเลยคือความอยากใช่ไหมพระอาจารย์คือเราต้องเปลี่ยนสัญญาบางตัวที่มันเป็นกิเลสให้เป็นธรรมสัญญาที่เห็นว่าทุก อ, อย่างเที่ยงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงสัญญาว่าน่างกายนี้เป็นตัวเราเนี่ยมัน มันมันไม่ใช่เป็นความจริงเรามาแค่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่เราไม่สามารถที่จะไปดับหรือทำลายสัญญาสังขัรได้แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแนวทางของของการทำงานของมันมันทำงานภายใต้อวิชาความหลงความความเมื่อยบอดไม่เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยง าไปเห็นว่าทุกอย่างต้องเที่ยงทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเราได้สั่งได้บังคับได้อันนี้เราก็ต้องศึกษาดูว่าสั่งได้จริงๆมั้ยเปล่าเราสั่งไม่ได้จะสั่งได้บางเวลาบางครั้งจะสั่งมาได้ทุกครั้งมั้ยเปล่าอันนี้เป็นเป็นการเราสัญญาออื ถ้ามีถ้ามีสมาธมากขึ้นมันก็จะสั่งและหยุดได้เลยคบางทีก็สั่งได้หยุดได้เลยก็คือต้องเพิ่มความเพียรในการมีอุเบกขาใช่ไหมคะอาจารย์มันถึงจะสั่งและหยุดเลยคือหยุดนะแต่มันไม่ถ้าไม่ไปสอนมันมันก็มันก็ไม่เปลี่ยนไม่สอนทัศนคติให้มันมองใหม่ให้เป็นสรรมาติให้ให้มันมองว่ามันเป็นไม่เทียมมันมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเราของใครเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่าง เรนเพลงจะมาครอบคลุมมันเพลงช่วคราวอย่างไ น, นที่สุดมันก็ต้องจัดเราไปเ น, นต้องมาแก้ต้องมาสอนมามาพิจารณายาัพอาะเริ่มเข้าใจริบ <ไป S 1> ก้วพิจารณาใจรักตกก้เป็นการมามาเปลี่ยนการมองด้วยสัญญาสัญญามันจำผิดมันไปจำว่าเทีย่ยง เนร่างกายเราก็อยากจะให้มันอยู่นานๆแต่เพราเราคิดว่ามันเที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงถ้ามันเห็นมันไม่เที่ยงมันจะไปอยากให้มันเที่ยงได้ยังไงการที่อยากให้มันเที่ยงก็ต้องเห็นว่ามันเที่ยงไหมนีม่ยังไงไม่เข้าใจอ๋อไม่หายมัถึงว่า ในความอยากที่เป็นการมั่นตัญหาวิภาวกับภาะตัญหาเนี่ยความรู้สึกว่าอยากจะตัดให้มันแบบตัดไปเลยเนี่ยแล้วก็เลยกําลังมองว่าจะตัดยังไงให้มันความอยากมันหายไปก็เลยเว้ยมันเป็นสัญญากับสังขารหรือเปล่าคือหมาถึงตัดทุกอย่างอ่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยเราเข้าใจพระอาจารย์แล้วว่าให้สัญญาให้เปลี่ยนสัญญาให้มันเป็นธรรมตอให้มันเป็นธรรมมันจะทําให้เป็นนายคืออยากตัดให้มันตัดไปเลยเนี่ยคือต้นเหตุของสิ่งที่ความอยากต้องการเืออะไรก็คือความสุขใช่ไหม ใช่เราอยากเราเราอยากได้อย่างสิ่งนั้นสินี้ก็เราคิดว่าสิ่งนั้นสินี้จะให้ความสุขกับเราใช่ไหมเป็นทุกข์อ่าแล้วมันเป็นสุขจริงหรือเปล่าก็เป็นสุขแบบชั่วคราวอะไรมาสุขสุขแบบต้นพอพอมันหมดไปมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเหมืนเหมือนน้ำน้ำพึ่งพระจันทร์เนี่ยไหนมามันก็หวานเจี๊ยบเดื่มใบเดือดไม้ทำไมมันกลายเป็นของขมกันมาได้ วมันไม่มม่หวานเหมือนเดิมใหม่ๆก็จุจีกันหวานเนาะชี้เมฆเป็นเมฆ ช, ชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้อะไรเป็นอะไรไปหมดเนี่ยพออยู่ไปอยู่ไปชี้ไปชี้มาทำไมไม่เหมือนกันทัแล้วแล้วว่าเป็นฟ้าเข้าว่าเป็นเดือนเนี่ยคนเรเลือกนะเนี่ยต้องดูว่ามันทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะให้เราสุขเป็นให้ความสุขกับเราเนี่ยมัน มันไม่เที่ยงมันไม่มันไม่จะมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันจะเริ่มมีวันเปลี่ยนไปหมดไปสิ้นไปแล้วสุขนั้นที่เราได้จากมันก็จะหายไปแลพอมันหายไปทุกก็ตามมาอย่างเราได้แฟนก็มีความสุขพอแฟนจากไปก็เสียใจใช่ไหมันขับคลาด ดังนต้องแก้ความอยากด้วยการเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างาที่ความอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นอยากอะไรทั้งสิ้นทำนั้นมันทุกว่ามันมันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกข์อ่อนมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้นี่นี่แหละเป็ ว, วิธีแนาแนาวการเปลี่ยนสัญญาใหม่แล้วเราจะเห็นว่ามันสุขขัง นินจําสุขขังอาตามันจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเวลาแต่งงานก็สัญญาเราจะรักกันไปตลอดถ้ามีใครรักใครใครเก็บสัญญานะ้ไม่ได้ถ้ารักจริงมันต้องไม่ทะเลอกันใช่ไหม อานอันนี้ก็เดี๋ยวใจะจะยาวไปจากสิ่ที่ข้อสามนีเ้เรื่องความโลภเรื่องเรื่องความโลภพอทีพระอาจารย์เนะีพูดถึงเรื่องของไม่ใช่ว่าเขาอยากได้สิ่งที่ไม่สิ่งที่เห็นแล้วไม่มีทือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้ว จริงๆมันต้องค่อยๆพยายามละได้ก็เลยก็เลยว่าลดงานแล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธารมอันนี้ก็คือคือคือนี่คือการละในสิ่งที่มีด้วยใช่ไหมโลกเนี่ยมันตอนแรกนึกว่ารักแค่สิ่งที่ยังไม่มีก็คือว่าต้องรัะสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่เอาแล้วก็สิ่งที่มีก็กต้องละได้นี่คือลความโลกใช่ไหมพระอาจารย์ก็อย่างนั้นอ่ะคนจะละทุกอย่างแล้วก็นังไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอาศัยอาศัยวัดอยู่ไ <financially> ป <assemb información> <t os way> <t os way> ถ้าทำงั้นทำงั้นน่าก็จะสบายพยายามว่าอาจารยนะ <vaccine> ์จะทําใจได้ไหมไปอยู่บวชบัญชีแล้วก็ไปอาศาัายวัดอยู่แล้วแต่วัดจะมีอาหารอะไรกินที่วดัดก็กินมันไปตามมีตามเกิดอาหารเด็ดอาจารย์แต่ว่า <costing> ตอนนี้ขอไป็ปีวิเวก่อนเพราะจะค่อยๆเพิ่มพลังของตัวเองก่อนอาจารย์เราจะไปให้มนนานขึ้นก่อนอาจารย์แล้วก็ไปให้มันนานขึ้ น, น, นโอเคหมดแล้วยัง คุณแนนจากมินอนนะแ น, นมีอะไรมหมยล่ากันรัฐประการค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคฟัองอยู่นะฟังเข้าใจไ้ยเนี่ยเข้าใจค่ะโอเคคุณขวัญตอบมันมีอะไรัหมช่วงนี้ไม่ได้สายบาทนะเงินงหนวดแล้ ว, ลวเหรอแขยงกั น, กนมา้กินนะช่วงนี้ ช่วงนี้ไม่ได้ไปใส่บาทนะเจ้าคะก็จะต้องอประหยัดนิดนึงเจ้าค่ะสัมลองไว้ต้องเลี้ยงตัวเองนะแต่ก็ยังรักษาสีแฝดเป็นปกตินะคะแล้วก็ยังผาเทียวเป็นปกติไม่ผิดไม่ผิดที่ไม่ได้ทําูนทำทานถ้าไม่มีจะทำถ้าทำรูําำทานแล้วตัวเราไม่มีกินเราไปขอชาวบ้านเขาก็ไม่ถูกใช่ไหมเราต้องเลี้ยงตัวเราเองพึ่งตัวเราเอง ถึงเวลาที่ต้องหยุดการทำบุญทำทานก็ต้องหยุดไม่เสียหายนทราบได้ที่เรายังทำบุญที่ดีกว่าสูงกว่าคือรักษาสินภาวนาได้ก็ไม่ขาดทุนที่จะถามไม่ได้ไม่ได้ไปสิ่จงจะถได้ช่เห็นไปที่คุณปีดีเห็คุณปีดีคุณขวัอยู่พัทยาเดียวหนึง่งทกคน พอดีเทปวนครับอาจารย์ครับมาร่วมฟังเฉยๆครับพระอาจารย์ครับโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตามคําแนะนําพระอาจารย์ครับส่วนคําถามก็เปิดดูตามเทปที่ทางพระอาจารย์พูดก็พอเข้าใจครับผู้อาจารย์ครับอืมครับฝึกสติฝึกสมาธิไปก่อนครับผู้อาจารย์ครับครับผู้อาจารย์ครับ คุณ <Okay. S 2> มัตรการครับผจารย์ครับนับ่นไปที่คุณมาลีต่อมาลีตอนนี้อยู่กรุงเทพหรอือทงานหรอือใส่หน้ากากอ๋อไม่ทำคะ่ะหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาคลค่ะหลวงพ่อพอดีอเป็นโควิดแล้วคะ่ะหลวงพ่อเขาติดแล้วหรอือ <laughs> ติดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเขาพาเอามาด้วยคะ่ะตอนนี้มันไกลมันก็ป่วยแต่ก็ปล่อยมันไปอ่ะคะ่ะหลวงพ่อก็แล้วแต่ถึงเวลาดูแลได้ก็ดูไปคะ่ะหลวงพ่อ อาการรุนแรงไหมมันมันก็ไม่รุนแรงมันไม่ได้กลิ่นค่ะหลวงพ่อมันไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสอาหารแล้วก็มันมันจะปวดไปตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วได้ฉีดยาหรือยังฉีดยาไปแล้วเข็มแรกแอตตาค่ะแต่ว่ามันมันก็ต้านไม่อยู่ค่ะนานนี่ยัี่เจมฉีดสิบสี่มิถุนาค่ะสี่มิถุนาก็ต้านเนาะไม่งั้นไม่งั้นปันอยากจะมามานั่งคุยกันไม่ได้ไม่ได้แต่ แต่มันมันก็พอทนได้ค่ะหลวงพอ่อเป็นไข้ ห, หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยน ะ, ะพุทุ่งตามนั่างกายเป็นไข้ค่ะหลวงพอ่อเดี๋ยวก็หายภน า, าใช้ธรรมโอรสไปค่ะหนูหนูก็ภาวนาะพุโทโธไปในใจเท่าที่หนูจะทําได้ค่ะหลวงพ่อคะ่ะแล้วบางทีมันมันมีแวบขึ้นมาว่า หนูเห็นกายเนี่ยมันนอนเหมือนมันนอนรอความตายทุกนาทีแต่ใจมันก็ไม่ได้ไปทุกอะไรเยอะอะค่ะหลวงพ่อมันแวบขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะออันนั้นแหละก็เป็นปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนค่ะหลวงพ่อเห็นว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามค่ะหลวงพ่อแต่มั น, นไม่ใช่ตัวเราผู้ที่เห็นกับร่างกายนี่เป็นคนละคนกัน ผู <an> ้ที่เห็นคือใจผู้ที่เห็นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใน่ผู้ที่เห็นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจขเพราะไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่เห็นควจะเห็นแบบเห็นร่างกายของคนอื่นเห็นคนอื่นตายเราไม่ตื่นเต้นหวาดหวาดกลัวอย่างใดก็ควรจะเห็นร่างกายนี่เหมือนเช่นเดียวกัน ตอนแรกตอนแรกหนูเห็นตอนเจาะเลือดนะมันเลือดมันเลอะเทอะไปหมดอะไรเงี้ยหลวงพ่อมันก็มีความรู้สึกว่ากลัวแต่พอมาคิดอีกทีหนึง่งอะเลือดเลือดในตัวเราก็เหมือนกับของคนอื่นที่เราเห็นที่มันเลอะเทอะอะไรเงี้ยมันก็เลยตัดความกลัวไปอ่ะค่ะหลวงพ่อเห็นที่ที่คนเขามาหาหมอกันนะคะก็เลยปกติก็เป็นคนกลัวเข็มกลัวเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันก็เฉยเฉยไปแล้วค่ะหลวงพ่อ เป็นมากี่วันแล้วเนี่ยที่มาอยู่นี่มาอยู่นี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามค่ะยี่บสามประมาณหกห้าวันห้าหกห้า ว, วันค่ะห้าหกวันค่ะหลวงพ่อเขาบังคับให้มาอยู่หรือว่าเราต้องการที่จะแยกตัวออกมาคือพอไปตรวจว่าเป็นติดเชื้อค่ะเขาโรงพยาบาลเขาก็จะมารับเลยอะค่ะหลวงพ่อ<ม>เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อ่ะเขากลัวว่ามันจะไปแพร่ให้คนอื่นใช่ค่ะ เราก็เขาก็จะแยกว่าอาการเป็นเขียวเป็นเหลืองแล้วก็เป็นแดงแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้หนักมากเนี่ยเขาก็จะแยกตัวออกมาจากโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งค่ะเป็นฮอสฟิทเอลอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออันนี้เรายังเป็นเลืองอยู่นะเป็นเป็นเขียวค่ะหลวงพ่อ เ, เขียวเค่ ะ, ะก็อาการไม่ได้ไม่ได้หนักมากแต่ว่าเขาก็ให้ระวังว่า เออหายใจอ่ะเขากลัวว่าถ้าลงปอดอนะ่ะมันจะไวคะ่ะหลวงพอ่อเขาก็ให้วัดออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัดความดันตลอดค่ะแต่หนู ก, ก็ไม่ยังต้องให้เขาฟยดูอย่างใกลใ้ที่กี่ใช่ค่ะก็หนูถามหมอว่าต้องอยู่ถึงกี่วันเขาก็บอกว่าอยู่ประมาณสิบสี่วันนะคะ่ะหลวงพ่ออืมค่ะแล้วถ้ามันจะลงปอดนี่มันลงกี่วันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คือมันมันจะเริ่มออกซิเจนน้อยลงค่ะหายใจมันจะติดขัดอย่างเงี้ยเขาก็จะจับเอ็กซาเล่เลยว่าถ้าปอดมันขึ้นฝ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันลงไปแล้วเงี้ยมันก็จะเสี่ยงค่ะหลวงพ่อแต่ถ้ามันลงเขาก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาเขาก็จะมียาต้านไวรัสให้กินแล้วแต่ความแรงของของคนไข้อ่ะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าบางคนมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีมันหนักอย่างเงี้ยก็ต้อง ตามอาการไปอ่ะค่ะหลวงพอ่ออแลเข้ามาตรวจตรวจเชื้อทุกกี่วันอะคือเขาเขาให้วัดเออเขาจะวัดไข้วัดอะไรพวกเนี้ยให้ให้ทําเช้าเย็นเลยค่ะหลวงพอ่อแล้วถ้าผิดปกติเขาจับเอกซเรย์เลยอะค่ะหลวงพอ่ออเห็นว่าทุกอย่างเป็นปกติเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องตรวจเชื้อไม่ต้องเอาเชื้อไปตรวจใช่ค่ะแต่อาการตอนแรกมัน มันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนคนคนคัดจมูกนิดหน่อยมันไม่ได้มีอะไรบอกว่าเราไปติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่พอมารู้ตัวอีกทีก็คือมันไม่ได้กลิ่นแล้วค่ะแล้วเสียงมันแหบค่ะหลวงพ่อ mm hmm. เสียงไม่มีไม่มีเสียงค่ะแล้วก็ถ้าถ้าคนที่เขาเป็นเยอะมันจะเป็นไข้แบบเยอะๆอะค่ะหลวงพ่อื mm hmm. แต่ไข้เราไม่เสีวยวเลหนู mm hmm. หนูไม่มีไข้ค่ะ ไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงสีิบอุณหภูมิแค่สามสิบหกกว่ากว่าค่ะสามห <36. S 1> กนะใช่ค่ะหล่อแสดงว่า เ, วเป็นไม่แรงนะค่ะหลวงพ่อโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยถ้าได้ฉีดยาเข็มหนึ่ ง, งันก็มีภูมิคุ้มกันแล่ะขัวงพ่อก็แบ่งสองส่วนใจเราก็รักษาไปด้วยธรรมะร่างกายเราก็ให้หมอ ด, ดูแลไปขัะหลวงพ่อ ค่ะหนูก็พยายามจะปฏิบัติแต่มันอาจจะได้ไม่เต็มร้อยด้วยร่างกายเราณนะตอนเนี้ยค่ะหลวงพอ่อก็แต่ว่ามันเป็นเป็นข้อสอบให้เราทำนะตอนเนี้ยค่ะหลวงพอ่อก็ไม่รู้หัวก้อยนะจะเป็นหรือจะตายแต่หายหรือไม่ห า, ห า, หาใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องดูใจแล้เราใจเรารับได้หนระือเปล่าผลไม่ว่าจะมาอาอกมาทางใดทางหนึ่งรับค่ะรับได้ค่ะหลวงพ่อถ้ารับได้เราก็สบาย ค่ะหลวงพ่อหนูเลยมากลับเรียนกับหลวงพ่อก่อนค่เะเผื่อว่าไม่รู้จะยังไงก็แล้วแต่ร่างกายจะเป็นยังไงก็เป็นไปอะค่ะหลวงพ่ อ, อ, อก็อนันต์ตาใช่ไหมละ่ะใช่นนาา <S 2> <S 2> ใช่ค่ะเราบางังคับเขาไม่ได้สั่งเขไม่ได้ค่ะหลวงพ่อเราก็ดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะหมอค่ะหลวงพ่อแต่ดูอาการมันไม่น่าจะไม่ตกเ่าไหร่นะ ถ้ามันนับคุยกันได้ห้าหกวันนะค่ะหลวงพ่อแน่ว่าร่างกายมันในภูมิคุ้มกันแล้วนะอาจจะเป็นด้วยยาที่ฉีดมาก็ได้ค่ะหลวงพ่อได้มีส่วนนะค่ะเ<อ>ดี๋ยวจะได้กลับมาฉีดเข็มสองมาเขาเริ่มมันที่ให้ฉีดเร็วขึ้นนิดนึงเข็มสองเขาเขาเขาให้เว้นไปอีกสิบสิบสี่วันอีกเหมือนกันค่ะหลวงพ่อให้ร่างกายมันแบบมันฟื้นตัวก่อนเลยค่ะ ค่ะหลวงพ่อก็ดีวันดีคุณสาบอกได้โอนทำบุญมาน่าใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะหลวงพ่อมีอะไรหมออไม่มีค่ะหนูจะมาฟังทรมะาจากหลวงพ่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคสาธุค่ะรักษาใจให้เป็นปกติเบกขาแต่ว่าเรา ร่างกายเป็นอะไรก็ฆ้ามันไม่ได้ค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะคุณวังได้จึงเบาอยู่ที่ไหนหนึ่งไปแนละ้จังหวัดอะไรนะจังหวัดสุขโขทยัยเจ้าค่ะพระอาจารย์สุโขทัย่าเป็นยังไงวางได้ใช่ไหมหงไนะหวงได้นะวางได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ โยมจะรายงานเรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์เอพอดีว่ามันมีจิต ด, ด้านผู้สนเกิดขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์นะักขนาดนั้นนะโยมก็คือตอนแรกก็ว่าจะไม่ทําตามเหมือนกันว่าสักแต่ว่ารู้ไปเองเจ้าค่ะแต่พิจารณาดูแล้วก็น่าจะมีประโยชน์โยมก็เลยทําเจ้าค่ะอย่างนี้ทำถูกไหมเจ้ า, า, า, าค่ะพระอาจารย์เกิประโยชน์แบบนั้นประโยชน์แบบดับกิเลสดับความทุกข์นึกประโยชน์อย่างนี้น ก็ตอนนี้โยมเอทําจิตอาสาของมูลนิธิบุญนาผู้ช่วยค่ะก็คือช่วยตอบคําถามช่วยดูแลคนไข้โควิดอะไรเงี้ยเจ้าค่ ะ, ะแต่ในส่วนของเจ้าค่ะงานโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ทําตามปกติเจ้าค่ะก็คือเหมือนแต่ว่าทําเป็นขนาดขนาดไปทําทําแต่ว่าผลที่ได้มันจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็วางอุเบกขาไปแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ก็แล้วแต่มัน จะผลได้มาน้อยก็เรื่องของมันเจ้าค่ะพอจะว่าเป็นแต่ว่ามันมารบกวนการปฏิบัติของเราเมืป่านะเจ้าค่ะก็คิดว่าจะลองดูเพราะว่าน่าจะคนติดเชื้อเยอะเจ้าค่ะก็ลองลองมาดูช่วยช่วยเขาตอบอะไรอย่างนี้แล้วกันเาทำทนก่อนภาวนาเอาไว้ก่อนเจ้ค่ะภาวนาทำเจ้าค่ะพระอาจารก็ทําเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็เรื่อง ที่โยมเคยเขียนใบาลาออกเจ้าค่ะตอนนี้โยมก็ใกล้ๆ ใ, ใกล้จะออกแล้วเจ้าค่ะพยาบาลก็ตุลาแต่ว่าไม่รู้ว่าหัวหน้าจะเซ็นไหมเพราะตรงนี้ก็สถานการณ์ที่โรงพยาบาลก็ต้องข อ, อโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยด้วยเจ้าค่ะแต่ตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราสักแต่ว่ารู้ที่มันมันจะใช่การไม่ทําอะไรเลยหรือเปล่าแต่ก็โยมว่ามันเหมือนมีจิตอีกดวงที่เหมือนมันเหมือนเห็นว่าอันเนี้ยที่เราทําไปทุกวันเนี้ยมัน มันเหมือนเป็นวิบากเก่าเงี้ยค่ะอาจารย์คือว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เรารู้เดี๋ยวมันจะต้องทําคือถ้าไม่ทําเลยเงี้ยก็ไม่ได้เจ้ <c oughs> าค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นกรรมที่เรามันจะต้องมาอยู่จุดเนี้ยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่มันก็มีจิตอีกดวงหนึ่งที่มันรู้ว่าก็ก็ทําไปแต่ว่าไม่ต้องเราก็ไม่ได้อะไรกับสิ่งที่เราจะทําเจ้าค่ะ ทำแบบว่าทำเหมือนเฉยๆแต่ต้องทำอย่างนี้ยเจ้าค่ะพอาจารย์มันอธิบายไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะยังไม่มีเบรกขาพอที่จะหยุดมันเเจ้าค่ะแม่จำเป็นเพราะว่าจะเลิกปฏิบัติแม่จำบุญก็ต้องละนะผู้ปฏิบัติเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะยังบุญอยู่ก็ยังก็ยังก็ยังติดอยู่นะเจ้าค่ะ การที่ทําแล้วไม่เอาบุญกับไม่เอาบาปถ้าไม่เอาบาป ท, าาาที่คงจะเข้าใจกันง่ายแต่ว่าที่ไม่เอาบุญนะเจ้าค่ะพรอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายตรงนี้เพิ่มเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าเรายังติดบุญอยูออ่กับบาปใช่ไหมะถ้าติดบุญอยู่มันก็มันก็จะทําให้เราต้องคุกคงกับเร <c oughs> ื่องบุญไปเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งมันก็มันดีแต่มันเป็นบุญแต่มันไม่ดีเท่ากับการไม่ติดใช่ไหมะ การไม่ติดก็คือไม่ใช่การไม่ทําใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ถ้าทําทําแบบไม่ติดคือหมายถึงว่าไม่ไม่หวังผลใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าทำแต่ก็วางอุเบกขาไปเรื่อยๆทําไปทําไปผลมันจะเป็นอะไรก็ก็คือเราก็ไม่สนใจมันจะบุญหรือมันจะมันจะทําให้เราดีใจเสียใจเราก็ไม่ไม่ได้ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งที่ทําถูกต้องไหมเจ้าคะทำไมถูกนอนทําไมทุกนอนกับถูกอง ทำแลอย่าไปทุกข์ก่อเ <laughs> จ้าค่ะทําได้ก็ทําไปเ <laughs> จ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์ยงมีเท่า น, นี้เจ้าค่ะอาจารย์อืมมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนไม่ต้จะพูดเยอะเจ้าค่ะคนดู <laughs> เอต้องต้องตัวเองว่ามันมันมัน ค, ควรหรืไม่ควรอ่าเจ้าค่ะคือเรายังมีงานยังอื่นที่เรายังไม่ไม่ได้ทําอยู่กับปากเจ้าค่ะ <laughs> อาจจะเหมือนกับถูกิีเลนเราให้เราที่งานที่เราต้องทํำนัองมาทํางานที่เราไม่ต้องทำเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีอะไรหรือเปล่าที่เรายังไม่ได้จัดเจค่ะแต่ที่ให้โยมเปรียบเทียบนะคะเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์ที่ปฏิบัติที่บ้านกับที่วัดนะคะโยมความที่เห็นโยมโยมว่าปฏิบัติที่บ้านเหมือนกับเรา ไปนิดๆหน่อยๆเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าจะไปตัดกิเลสหรือว่าไปพิจารณาทาลึกๆเนี่ยต้องไปปีกวิเวกอย่างเดียวส่งตัวโยมนะเจ้าค่ะเพราะโยมว่ามันต่างกันเยอะมากการที่เราอยู่สภาพแวดล้อมแล้วก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะถึงแม้ว่าเราจะว่าทําที่บ้านทุกวันทุกวันเนี่ยแต่มันผลที่ได้สําหรับตัวโยมโยมว่ามันต่างกันเยอะเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ทําที่บ้านไปก่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ โอเคมีเท่านี้นะ <im itation> มีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะคุณยาจะถามอะไรเปะ่าไม่ถามฟังเฉยๆโอเคเน้ okay. นไปที่คุณยินดีคุณยินดีจากเซานดคาโรไนา USA สวัสดีค่ะท่านอาจารย์มาฟังธรรมเฉยๆค่ะแล้วก็มากราบท่านอาจารย์พร้อมกับเดวิทค่ะโอเค่าบ ฝากเซียนรอยคุณเดวิดด้วยนะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์เนยท่านนี้ก่อนพี่วตอนนี้น้องชายกําลังดูอยู่ตามคนที่แล้วด้ดูปากโอได้ดูอโอสาธุค่ะท่านอาจารย์หนูขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงการที่เมตตาน้องอะค่ะอขอบพระคุณค่ะ ค, คุณสุทัศนีอยากไม่ใช่ปฐุมธานีมันถ้ามันยัไม่เป็น ก็ทุกท่านนี้เจ้าค่ะมีอะไรไหมคุณหมอค่ะท่านคะอช่วงนี้มีเวลาปฏิบัติภาวนามากขึ้นเจ้าค่ะก่อนช่วงก่อนก็คือช่วงเปิดคลินิกมันจะไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติเท่าไหร่จะมีเวลาปฏิบัติก็จะเป็นตอนช่วงก่อนนอนค่ะอ่าก่อนนอนจะเน้นปฏิบัติคือการฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิอดีช่วงนี้ปิดไม่ได้ทํางานก็จะมีเวลามากขึ้นอหนูอยากได้หลักเกี่ยวกับการเดินจงกรมบ้างนะคะ ก็แต่กอนไม่ค่อยได้เดินค่ะก็เดินตามตามปกติไม่ต้องช้าไม่เร็วเดินกลับไปเดินกลับมาหรือถ้ามันมันมันสั้นอาจจะต้องเดินเดินเลี้ยวถ้ามันมีมีที่ให้เดินไปก็เดินไปตามทางนี่แหะเดินกลับไปกลับมาถ้ามันสั้นเกินไปบางทีเดินต้เลี้ยวขวาแล้วเดินต่อไมได้ก็เดินไปเดินเป็นวงกลมก็ได้บางทีแล้วแต่ ลองอเดินดูได้ประมาณยี่สิบห้าก้าวเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็จิต<ๆ> ก, ก, ก็มีสติคอยควบคุมเหมือนปกติเหมือนกับทำอะไรต่างๆก็คอยควบคุมมนันี่เราจะใช้พุทโถควบคุมจิตในขณะเดินก็ได้หรื่อจะให้มันเฝ้าดูเท้าที่เรากาลังก้าวได้ซ้ายขว า, ซ, า, ขวาซ้ายขวาไปค่ ะ, ะรู้สึกว่าตอนเดินจงกรมก็เคลื่อนดีเหมือนกันเจ้าค่ ะ, ะเดินได้เด<ๆ>ินได้งานพอสมควรค่ะตอนเดินเนี่ย รู้สึกไม่มีสติอยู่กับอเทนะ้าที่เดินเจ้าคา่ะก็จะไม่ค่อยปวดเมื่อยแต่พอแบบหลังจากเดินเสร็จถึงจะมีรู้สึกปวดขาตามมาทีช้าเวลาเดินถ้ามีสติมันจะรู้สึกตัวเบาใจเบาเดินถ้าเราอยู่กับการเดินมันก็เดินได้นานเดินเสร็จถ้าเมื่อยก็ลงมานั่งต่อก็ได้แล้ค่ะพนั่งานพูดนานะมันเมื่อยเจ้าค่ะ ก็เลยอยากสลัดมาเดินลองฝึกเดินจงกรมดูค่ะเออนั่นะมันจะได้ทำให้การปฏิบัติเราต่อเนื่องค่ะนั่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็นั่งสลัดกันไปอย่างนี้ลูกหมดคำถามเจ้าค่ะวันนีโอเคอันนี้นะค่ะคุณอ้อมเชิญคุณอ้อมจากบอวินนิสีรกการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเค ยังไงปฏิบัติอยู่นะค่ะนั่งสมาธิทุกวันค่ะสามสิบแล้วสามสิบถึงชั่วโมงหนึ่งค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เจริญสติค่ะค่ะแล้วก็ไปเจรจาทำบ้างเนาะไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะไตล์ค่ะเกิดไม่ดับเป็นธรรมดาค่ะค่ะพระอาจารย์ซ้อมไว้อยู่ค่ะเตรียมรับความรักค่ะ เป็นคนเบสต์อะเบสต์จกเรก่านามสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ<อ>วันนี้มี ม, มีคำถามเดียวค่ะพราาะอาจารย์เชิญถามได้เลยค่ะคือหนูนั่งสมาธิช่วงพักเที่ยงที่ทำงานนะคะมีเวลามานขึ้นชั่วโมงนั่งพูดไปแล้วใจมันก็แบบมันเหมือนมีแม มือนมันนิ่งอะค่ะพระอาจารย์แล้วเหมือนมีเป็นแม่เหล็กเหมือนดูดความนิ่งเอาไว้อะค่ะแล้วมันหมดเวลาแล้วต้องไปทํางานแต่ใจมันยังอยากอยู่ตรงนั้นอยู่อะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็พยายามประคองไปเรื่อยๆแต่รู้สึกมันมันนานเกินเวลาไปประมาณหนึ่งแล้วก็เลยค่อยๆ อ, ออกมาถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันมันมีผลเสียกับสมาธิไหมคะ เ อ, อลองสังเกตดูว่าคราวต่อไปเราหน้าเรามันเข้าได้เหมือนเดิมหมือเ่าถ้าเข้าได้ก็คงจะไม่น่านจะมีคนเสียอะไรค่ะอาารย์เพราะว่ า, าถ้าทำด้วยสติคงไม่น่านจะมีปัญหาเลยเพราะถ้าเราออกมาเพราะเรามันจําเป็นจะต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นก็ไม่เป็นปัญหาเลยพยายามประคองสติตอนออกมา พระอาจารย์มันเคยฟังพระอาจารย์พูดในเทปให้มีสติต่อไปนุกขึ้นก็รู้กำลังลุ่ยืนก็รู้ทรยืนเดินก็ร้ลังเดินทำอะไรก็ทำให้มีสติต่อเนื่อต่อไปแล้วเดี๋ยวพอเวลาว่างเรากลับมานั่งต่อได้อย่าทิ้งสตินะสตินี้จำเป็นทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่ เราา<ช>จะเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือทำภารกิจอะไรต่างๆนี้ก็ให้มีสติอยู่ตลอดเลยนะนั่นจะไม่มีปัญหาเพราะว่าใช้พุทโธแล้วมันก็รู้สึกระหว่างวันไปทำงานใช้พุทโธมันมันดีขึ้นนะคะพระอาจารย์เวลามันนั่งมันสุบเร็วดีะค่ะใช่เพราะมันช่วยให้เรามีสติใจไม่ลอยใจไม่ลอยนั่งเฉยๆมันก็จะสงบได้ง่าย ฝึกไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยฝึกสติตไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นการนั่งสมาธิเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในท่านั่งนั่นเองอยู่ในท่าเดินท่ายืนท่าทําอะไรต่างๆถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธกํากับก็เหมือนการนั่งสมาธิดีๆนี่เองก็พยายามทําทให้มากที่สุดคที่ น, นี้จะทําได้ทั้งวันเลย ต, ตั้งแต่เื่นจนหลัก นอกจากเวลาที่ต้องทํางานต้องที่ต้องใช้ความคิดจะหยุดพูดโทรไว้ชั่วคราวค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะพระาอาจารย์ช่วงนี้พยายามควบคุมจิตย้ายมันคิดกับวยสติพอเวลาเข้าสมาธิได้แล้วเราถึงค่อยมาฝึกทางปัญญาต่อไปค่ะพระอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ทําแบบนี้อยู่ค่ะพระาอาจารย์เหมือนพยายามมีมีสติเอาฐานของสมาธิก่อนนะคะ เราพยายามมาให้เข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราทำได้ยิ่งดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คุณพระอุณาฯอันนี้อยู่บนเขาเลยพรอุณาเห็นปิดไฟอ่มาตรการเจ้าค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ไปดับเลยไม่ไม่ดับอปลาค่ะพอดีพี่หลาแนะนาให้ลองุ่นขอบคุณพี่หลานเคเราออกมาเดินตอนคืนไหมเดินข้างนอกออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วค่ะไปเดิน แล้วก็ไปนั่งสมาธิพรู้สึกคว า, ามกล้าควางกลัวดูเป็นยังไงดีไหย ม, มันไม่กลัวไม่กลัวมันมันกลัวนิดนึงค่ ะ, ะแล้วมันนั่งสมาธิรวมอยู่ค่ะพระอาจารย์ตรงนอกฌานนะตอนมั<า>นรวมมันก็ไม่มันก็หายกลัวค่ะค่ะตอนที่พอออกมามขามันแข็งไปเลยแล้วไม่ได้เราลงไปเดินนั่งรือยังไม่ยัเดินแต่ตรงนอกฌานค่ะนอกฌานยัไม่ได้ลงออกไป เดินสำรวจบริเวณมะมีกาค่ะเพิ่งเลยมาอาบัติเนี่ยเป็นข้อสอบต่อไปต้องลององทำข้อสอบที่ยากขึ้นไปตามลำดับใครๆนะค่ะใอยๆเพิ่มอ่จะได้ก้าวหน้าไงจะได้กำจัดความกลัวต่างๆให้มันหมดไปมันก็กลัวตายนะในส่วนกาต้องพิจารณาความตายกลัวตายแล้วหนีความตายได้หรือเปล่า มันก็หนีมันไม่ได้ค่ะเพราะเพราะว่ามันไ้จำมันให้มันมาไล่เราเราไปไล่มันไม่ดีกว่าให้มันรู้แล้วหมดมันรู้แล้รู้รอดไปไปตอนมืดๆหรอคะอ๋อเนี้ยตอนเดึกๆอนี้เนี่ยมันจะฉายดีกว่เดี๋ยวก่อนดีกว่าตรงนี้เดือนหงายม่เป็นไดยเถออกไปข้างนอกไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะ อันนี้แล้วแต่ไม่ได้บังคับกาแนบแน่วแนบแนวจ้าบนนี้ก็ก็อ่าียบดีไหมสงบดีนะสงบดีค่ะ<ม>ได้ยินได้เสียงต้นไม้พัดเวลาลมพัดมัน<ม>ก็วางเวงดีค่ะสงบง่ายนะนั่งสมาธิก็สงบงา่ายค่ะอาจ<ม>ารย์ก็ทำไปนะไม่มีคำถามอะไรใช่ไหม ตอนนี้ไม่มีค่ะแต่ก็ยังก็ยังอดอาหารอยู่ค่ะอดอาหารด้วยเดินไปก็ท้องร้องไปด้วยกลัวก็เอเยอะแยะไปหมดเลยดีเก่งมากค่ะเดี๋ยวลองาปก่อนจะอดไปตลอดเลยไหมที่มันอยู่เนี้ยคิดว่าน่าจะได้ถึงวันวันสุกร์น่าจะได้ค่ะอยังไหวอยูค่ะโอเคดีค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุท่านที่ได้เอาไว้เต็มที่เลยนะ ข่ะพระอาจารย์ขอบคุณคุณพระอาจารย์ด้วยนะคโ okay. อเคค่ะสะทุคุณค่ะสุภาพร อ, อันนี้อยู่บ้านแล้วอยู่ที่บนเขาอืได้ยินหรือยังคะได้ยินแล้ ว, ลวอ๋อกลับนะมาสั ก, กอยู่บ้านแล้วอยู่บนเขาอยู่บ้านค่ ะ, อ, ะอยู่บ้านค่ะอะคือช่วงนี้ปฏิบัติสังเกตว่าพอออกจากสมาธิแล้วอะค่ะ อารมณ์อุเบกขามันมันยังมีต่อเนื่องอะค่ะใช่มันเหมือนมันน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะเพราอกมามันก็ยังเย็นอยู่แต่มันจะค่อยๆจางหมดไปอุเบกขาก็แบบเดียวกันเอามาใหม่ๆมันก็มันก็เหมือนพึ่งเมื่อกอกจะสมาธิใหม่ๆอุเบกขามีเท่าไหร่มันก็มีเท่านั้นแต่ต่อไปเนี้ยมันก็ค่อยๆจางไปดังชาติดังเรื่งก็อยู่ที่เราไปสัมผัสกับอะไรด้วยค สังเกตว่าครั้งนี้เนี่ยมันมันอยู่ได้หลายวันเหมือนกันค่ะก็พยายามที่จะแบบรักษามันไว้ค่ะก็ใช้สติเนี่ยก็พุทโธพุทโธปรายาดปูแต่งอย่าไปคิดอย่าไปอยากตัวคิดตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้อุเบกามันมันเสริมเร็วค่ะก็พยายาม จำที่ท่านผ้าจารสอนนะคะว่าอย่าใช้ร่างกาย อ, ะอ่ะไปหาความสุขอะคะ่ะอย่างเช่นไม่กินแล้วก็ไม่ดูอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะเพราะมันจะก็พยายามลดเป็นกามฉันทะกามะฉันทะกามตัณหาค่ะพยายามลดตรงนั้นแล้วก็พอเวลามันจะเริ่มคิดปุ๊บคิดแบบคิดที่มันมีตัวตนคิดที่มันมีความอยากแบบ มีเราอ่ะค่ะก็พยายามลดลดมันนะคะอืมอืม mm hmm. แต่ว่าอา่าคือคือสงสัยเรื่องเรื่องการคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออบางทีมันก็จะจะแยกไม่ค่อยออกอะคะ่ะว่าบางทีมันก็มีการคิดเรื่องงานอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็คือมันยังคิดได้ปกติถูกไหยคะเพราะว่ามัน มันไม่มีความอยากนะคะมันเป็นการคิดงานคิดอะไรของเราถ้ามันมีความจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรก็คิดได้แต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าให้มันคิดดีกว่าให้มันรู้เฉยๆดีกว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอลไรก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วมันจะเห็นว่ามันมาปุ๊บมัก็ผ่านไปสิ่งที่เราเห็นปุ๊บมันก็ผ่านไปสิ่งที่เราได้ยินปั๊บมันก็ผ่านไปผ่านไปค่ะ ถ้าเามาเ ค, คิดเหมือนกั็เหมือนดึงมันกลับมาเห็นได้ยินเสียงเขพูดอย่างนั้นงี้ก็เอามาคิดต่อเหมกดึเอาเสียงนั้นกลับมาอเพราะว่านี่มันผ่านไปแล้วมันบอกอะไรเป็นบางทีก็เตะคําตําหนินเราคําเดียวนี่ เ, เอามาคิดทั้งวันนครับพอเรามีอุเบกขาปุ๊บมันก็ทําให้เราแบบไม่คออ่อยเออมันไม่มันไม่ค่อยทุกข์มันทุกข์ที่เค่ะทุกข์ที่เคยแบบ รู้สึกว่าเออมันทุกข์มันทุกข์มันก็ไม่ถุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมดีค่ะอืม hmm. เหมือนกับเวลาที่เราคิดแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทําต่อไปคิดต่อเนี่ยเหมือนกับเรายอมรับว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นเป็นตัวตนแล้วก็เป็นตัวเราใช่ไหมคะจริงๆพอมันคิดปุ๊บเราควรจะปล่อยมันไปเลยใช่ไหมคะคือควรแบบไม่คิด ค, คือหยุดควรจะหยุดมันถ้ามันไม่มีการจำเป็นจะต้องคิดก็หยุดมันดีกว่า ก็พยายามทำสองอย่างเนี้ยค่ะคื อ, อมไม่พยายามใช้ร่างกายไปไปหาความสุขไปดูไปกินไปอะไรทั้งสิ่งอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออาจารย์ก็คิดว่ามันไม่เทีย่ยงเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปค่ะออพอดีพอดีว่าข่าวก่อนนั้นถ้าอาจารย์เคยเคยสอนครั้งหนึ่งค่ะว่าทุกนาะทุกนาะจะจะจ ะ, จะกินหรอหรือจะออ๋มันทุกนาะทุกนะก็ลองเอามาใช้โมันก็ง่ายดีค่ะ ค่ะดีถ้าเห็นทุกข์แล้วมันจะได้ไม่มีความอยากได้อะไรพราะได้มาแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ซื่อยู่อยู่อยู่ตัวเปล่าๆนี่ค่ะไม่ต้องทุกข์กับอะไรค่ะแล้วก็อย่างอย่างการกินนะคะหนูก็เห็นเหมือนที่พระอาจารย์แนะนํานะคะว่าเรากินอนะ่ะเหมือนในขณะที่เรากินอนะ่ะเราเหมือนกับมีความสุขแต่พอเรากินจนเรา มันกลับมันต้องกินทุกวันกินจนติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเออหนูยกตัวอย่างเช่นพวกขนมอะค่ะหนูจะเป็นคนที่ติดขนมมากอะค่ะตอนที่เรากินเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะแต่ว่าพอแต่เราต้องกินมันทุกวันนะคะมันก็เลยจุกว่ามันเลยจุกคิดได้ว่าอันนี้มันเป็นความจุกจริงหรือเปล่าถ้ามันสุกจริงแล้วทุกวันเนาอย่างเงี้ยแล้วพอไม่ได้กินมันใจกลายเป็นความทุกข์ขนาดนี้อยากกินแล้วไม่มีกินเี้ย ค่ะพอเวลาจะกินก็จะเอาหรอมันทุกนะทุกนะก็<ม>เลยว่าโอ้มันช่วยได้ค่ะ<ม>แล้วพอทําเรื่องกินได้มันเลยทําให้เราไปเรื่องอื่นได้ค่ะอย่างเช่ น, นว่าเหมืนอนหมดเทุกอย่างเลยค่ะบางกีเรายังยังยังหนูยังยังยังติดดูแบบดูดูอะไรที่มันเพลิดเพลิ น, นอย่างนี้ยค่ะ ม, มันก็จะพอมันทําตรงนี้ได้อะ่ะมันเลยเป็นฐานทําให้ทำทำกิเลสตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันหมดทุกอย่าง เป็นตายรักเป็นทุกข์ทั้งนั้นค่ะก็พอทําไปเรื่อยเรรู้สึกว่าเหมือนสติมันมีกำลังคนะ่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูว่าใช่นะมันทำให้สติเรามีกําลังค่ะใช่นใหนูใช้ใช่ใช้ปัญญาฝึกไปมันก็เรามีสติใช่ถึงจะใช้ปัญญาได้ค่ะก็เลยรเออก็รู้สึกว่าเอออุเบขาที่เรามีทุกวันนี้ที่รู้สึกว่ามัน มันมีต่อเนื่องยาวนาน ม, มีมีสองสามวันติดกันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราแบบยอมหยุดหยุดอยากอะไรพวกนี้ด้วยเพิ่ยาวหยุดที่เนี่ยเป็นการเป็นการป้องกันมาให้เจ็บอุบัติเเาเสื่อยมค่ะอโอเคมีเท่านี้ใช่ไหมมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ คุณเป็นจาบ้นนะ่าอยู่ที่ไหนคุณเป็นจากรับพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินได้ยินอยู่ขอนแก่นค่ะครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่มาสูงค่ะแต่ว่าเคยไปกราบพระอาจารย์ที่กุฏิตอนที่กุฏิยังท่านพระอาจารย์ยังเทศที่กุฏิตายค่ ะ, ะที่กุฏิมีคําถามอะไรไหมเมืวานนี้มีค่ะ แต่ก่อนนั่งสมาธิเราเคยถามพระอาจารย์ตอนนั้นนั่งแล้วรู้สึกรู้สึกมีความสุขจนกระทั่งรู้สึกได้เลยว่าตัวเอ ง, อ ย, งยิ้มอะค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้กลับไปลองสังเกตดูว่ารู้สึกไหมว่าสักพักมันจะหายไปแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ไม่ได้สังเกตถึงขนาดที่แบบเออมันหายไปคือรู้อีกทีนึงว่าหายไปแล้วค่ะแต่พอมาพักหลังๆอะคะ่ะรู้สึกว่ามันอยู่ดีๆมันก็ค่อยๆจางหายไปแล้วก็เป็นเฉย หรือบางทีก็รู้สึกเหมือนเหมือนรู้สึกไม่มีมีความทุกข์ขึ้นมานิดนิดแต่กําลังคิดว่าตอนสังเกตคิดว่าความทุกข์มันอาจจะเกิดจากที่เรารู้สึกว่าเป็นทำไมมันถึงไม่สุขต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เกิดจากความอยากอยากให้มันสุกมันไม่สุกอะไรกายเป็นควา ม, มวทุกข์ใจขึ้นมาค่ะทีนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยไปพอเวลานั่งเนี่ยค่ะก็จะเกิดแบบนี้บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมีความเฉยเฉยแล้วก็มีความทุก เกิดขึ้นมาทีนี้พอเอามาปรับใช้หมายถึงว่าพอมาในชีวิตประจําวันนะคะพระอาจารย์รู้สึกว่าชีวิตมันดูหวยหาความสุขน้อยลงเหมือนกับว่ามันเหมือนรู้ว่าสักพักหนึ่งความสุขมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยคะ่ะจากพระอาจารย์เหมือนรู้สึกแบบถ้าอยากทานอะไรก็แบบเออไม่ต้องทานก็ได้เพราะแบบกินกินไปก็เดี๋ยวสุขแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จนตอนนี้รู้สึก รู้สึกเฉยเฉยเฉยเยเป็นเหมือนอืดๆกับการใช้ชีวิตบางทีก็รู้สึกแบบเอ๊ะเหมือนกำลังกำลังคิดว่าตัวเอลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมากไปมันถูกหรือมันมันมันคือก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ถูกแล้วเพียงแต่ว่าเราเราต้องถ้าเราเราไปทุกข์กับมันเราแสดงว่าเราคารุเบคาแล้วเราก็ต้องกลับเข้ามาทําใจให้สงบ อย่าไปทุกข์กับมันพิจารณาแล้วว่ามันทุกข์แต่เราอย่าไปทุกข์กับมันไม่ได้ไหมายถึงว่าตอนเราใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับชีวิตประจำวันถ้าเราไปไปอยากกับมันเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่อยากทําตามหน้าที่ไปมีอะไรทําก็ทําไปหรือว่ามันมัเป็นของไม่เที่ยงในที่สุดเดียวมันก็จบลงแต่ตอนนี้ยังไม่จบก็ต้องอยู่กับมันไป มันได้ไปทําด้วยความอยากให้มันได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ยิ่อยากไปฝากความสุขอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปหันกลับมาฝากความสุขอยู่กับการทําใจให้สงบพอรู้วมันทุกข์แลมีเวลาว่างเราก็กลับมานั่งสมาธิของเราแทนที่จะไปหาสุขแบบเดิมไม่หาแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะว่ามันสุขแบบ มันต่างจากสุขที่เราได้จากการดูการฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรตอนที่มันสุขมากๆหมายถึงว่าตอนที่ไม่สมาธิพิจารณาปัญญาไม่ไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเนี่ยมันจะทําให้ใจเราทุกไปการพิจารณาได้พอเราใจเราทุกเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาพักใจก็สมาธิหน่อยทำใจให้หายทุกก่อนให้ใจสงบเปดึงเบกขาก่อน แล้วก็ออกไปพิจารณาใหม่เวลาเจออะไรต่างเวลาความอยากอยากได้นะ่าอยากดูนี่อยากความนั่นก็พิจารณาว่ามันทุกข์นะเพราะมันเป็นคารสุขแบบชั่วคราหรือเป็นความสัขแบบยาเสพติดนะต้องคอยเสพอยู่เนื่ยเวลาใดไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความทุกขึ้นมาได้ค่ะพระอาจารย์แล้วพอใจเรารู้สึกทุกข์ก็กลับเข้าไปในสมาธิาแสดงว่าอุเบกขาเราหมด คาบสุดในใจเราหมดมันก็เลยไม่มีอะไรให้เราสุขใจแล้วก็เลยไปทุกข์กับสิ่งที่เราเคยอยากเคยชอบกับเรื่องเรื่องที่สองค่ะพระอาจารย์คือแต่ก่อนจะเป็นคนพูดเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีใจบ้างเสียใจบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนมีเจตนาในคำพูดะคะ่ะพอทุกวันนี้เหมือนมาเจริญสติอย่างนี้ค่ะ เหมือนเหมือนเป็นคนพูดน้อยลงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าพูดเพื่อทจะทําให้คนอื่นเสียใจหรือ พ, พูดเพื่อที่ทําแบบให้คนอื่นดีใจหรือที่มันอาจจะเกินจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างอย่างนี้หมายถึงว่าเราเราก็ทําอย่างนี้ได้อยู่ไหมคะเป็นการบังคับตัวเองมากเกินไปไหมอาจาเย์คือพูดแบบถ้าที่จาเป็นอยจะดีไแปบบถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดก็ไม่ต้องพูดแล้วพูดความจริงไป แล้วถ้ารู้ว่าพูดความจริงแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาก็อย่าไปพูด mm hmm. อย่างเงี้มันเป็นคนที่รับความจริงไม่ได้คุณ mm hmm. ไปแล้วทำให้เขาไม่พอใจอเสียใจแล้วก็ไม่ต้องพูดไป mm hmm. หมดคําถามแล้วค่พะพอาจารย์โอเคคุณวันทิสาเจอคุณวันทิสาต่ออันเจ้าค่ะพระอาจารย์ กำนำมัมสการเจ้าค่ะ อ, อ, อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะเคยเข้ามาเรียนครั้งแรกเจ้าค่ะครั้งแรกนี่ยินดีต้อนรับมีคำถามอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเลยอยากจะพูดอะไรรึเปล่าพูดไม่ออกเจ้าค่ะ อะไรยังงเป็นภับทุกใจแล้วเป็นความสุขใจมันมันเป็นเป็นเรื่องทั้งสอณีมันมันดีใจเจ้าค่ะอืมท่านวิ่งทาดีใจก็โอเคไม่เป็นไรอ่าอยากจะร่ ง, งามมันก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี๋ยว่าเจ้าค่ะอืมบทีเราปล่อยให้เรามันแสดงมันก็แสดงไปตา ม, มาลง หนูก็พยายามกั้นแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันมันกั้นไม่ได้เราใช้พุทโธช่วยอาการมัอยู่เรางทำพุทโธมุทโธมุทโธไปภายในใจเจ้าค่ะอย่างมันก็หยุดได้รู้สวดอะไรก็ได้ทำนั้นประชานไม่ทำสันนระชาไม่อะไรไปเพื่อดึงจิตไว้ไม่ให้ไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปตามอารมณ์มันก็หยุดได้เจ้าค่ะ เงนถ้าไม่มีอะไก็เดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะจนน เ, เ, นนเจ้าค่ะคุณตอนเมื่ลาเลยคุณตอนเมื่อลาพิธีมรณะเจ้าค่ะท่านอาจารย์อยู่กรุงเทพใช่ไหมอ๋ออยู่แพร่เจ้าค่าะแพรมีคําถามไหยวันนี้วันนี้ไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์ฟังไปนะเจ้าค่ะไปที่กรุงนุ่มที่ว่ายู่ทีแกรุงเทพนะกรงนุ่มที่ว่า การมตรการจักษาผ้าจาย์ไม่มีคําถามเหมือนเดิมห ร, รือเปล่าการจะดีเชิญวิญญาณจะดีไม่มีคําถามเช่นเดียวกันะไม่มีไม่ไมีสาธุผาจายไม่มีค่ะโอเคมีคนารีอยู่ที่ขัน้นบนนี้อยู่ติดกันคนารีได้ยินไหมอยากจะพูดอยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่มีการเคลื่อนไหวนะจะได้ไปที่ท่านต่อไปมึงก็น่าคนใช้มึงกา น, น, านาคน เปาตรการพรอาจารันตรการเจ้าขาเป็นยังไงมีอะไรไหวันนี้วันนี้คนเยอะเปลโอวันนี้คนตัเยอะถามเลยครับก็มีคำถามอันอย่างครับพระารคือพอดีวันนี้ได้ยินเรื่องเมตตาภาวนาครับคั้งนี้ก็พอมาดูในกรรมฐานสี่จิเขาจะอยู่ในหมวดที่เป็นความวิหารใช่ไหมครับ เดี<อ>๋ยวคนมีเสียงเสียงแบกกล้าวหรือเปล่ามีอ๋อครับมีเสียงน่าจะมีเสียงเดีย๋ยวเดนมันพูดนะครับถอเรื่องครับช่องไม่ใครเนื่อครับพอดีวันนี้ได้ยนินได้ยินเรื่องเอ่อเมตตาภาวนาครับก็<ม> เ, เลยได้มาเปิดดูในในกรรมฐานสี่สิบอะครับ<ม>ก็พบว่าอยู่ในหมวดของภพวิหารนะครับครั้นี้ก็เลยเรียนก็เลยเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าสมมุติว่า อย่างนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นหนึ่งกองกรรมฐานใช่ป่ะเฉพาะเมตตาหรือป่ะฮะหรือว่ามันจะต้องเดินไปตั้งตั้งแต่เมตตากรุณาจนถึงอุเบกขาครับเราสามารถที่จะเลือกได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการที่จะเจริญแบบไหนถ้าเราต้องการเจริญเพื่อให้เกิดสติเกิดสมถะเกิดสมาธินี่เราจะทํำบทสวดที่เขาให้สวดก็ได้ สัพเพสัตตาเอาเวลาหุนตุยังไม่มีเวรเถิดอัปยาปชาหุนตุยังไม่เบียดเบียนกันเถิดกระ่องไปทั้งสู่ในมีทั้งสี่อย่างก็ได้ครับมีหันสี่ก็เป็นเหมือนกับการสวนมนเพื่อฝึกสติให้จิตเราสงบครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าทํำยังไง เช่นไม่จองเวรเป็นทำอย่างไรไม่จองเวรก็คือไม่มีเรื่องมีดามกับใครใครก็จะว่าเราใครทําร้ายเราทําให้เราเสียหายเราก็ให้อาภัยเขาไปยกโทษอะไรเขาไปอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนํำอาไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นมันก็จะทําให้เราระนับความวุ่นวายใจความโกรธเรื่องราวที่เราจะไปมีเรื่องราวคนนั้นคนนี้ได้ครับนันก็มีสองแนวทางนะ ถ้าเราอมาใช้เพื่อฝึกสตินั่งสมาธิทีเวลานั่งดูลมนี่จิตมันไม่ยั ง, ยงฟุ้งซ่านอยู่ก็สวบดบทปรกมิหารสี่ไปก่อนก็ได้ถ้าเราชอบเราก็สวดสัปเเพสัตตาเวราตุข้อยสัตตังหลายทัพปวงจนไม่มีเวรกันเถรอันนี้ก็ได้จะสวดแค่บทเดียวก็ได้เอาเมตตาอย่างเดียวก็ได้ไม่ไปที่การุณา ม, มดิ่วเตาเบขาก็ได้ เป็นการสวดเพื่อฝึกสติครับแต่จริงๆดูแล้วเหมือนมันน่าจะเป็นหลักที่มาใช้ในชีวิตประจำวันไหมครับใช่จะใช้เป็นเป็นธรรมที่เราควรเอามาใช้กับคนที่เราพบบ่ะแต่อาจจะต้องดูการะเทศะ ว, ว่าควรจะใช้ตัวไหนเช่นถ้าเจอกันอย่างนี้ก็ให้ความสุขต่อกันให้เมตตาในการทารักทาย นี่มีข้าวในของไปเที่ยวมาไปซื้อของมาฝากกันอะไรครับยว น, นี้ก็ให้เป็นเมตตาหรถ้าเห็นเข้าเดือดร้อนเช่นตอนนี้ก็ตกงานเขาไม่มีข้าวกินนี้เราก็ไปแจกข้าวให้เขากินนี่ครั บ, รบอันนี้ก็เรียกว่าการุณาครับหรือว่าถ้าเขาได้เด็ดได้ดีเช่นเขาได้ดเหรียญทองโอลิมปิกนี้ล้วก็แสดงความยินดีกับเขานะครั บ, รบ แ, ลแล้วถ้าเราเรา เราเห็นเขาเขาป่วยเขาติดโควิดเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำใจเฉยเฉยอยา่าไปทุกข์กับเขาด้วยตัวเรทุกข์ก็ไม่ทำให้เขาดีขึ้นอันนี้ก็เรารู้จักใช้ใ น, ในแต่กรณีเม่ขับรถยนต์ต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์นะอย่าเปล่น นั่นก็อยู่ที่กรณีว่าเราเจอไปไม่ใช้ผิดมันก็ไม่ถูกเช่นควรจะไปแสดงความยินดีก็ทําเป็นอุเบกขาเฉยเมือไปเสียเขาก็อาจจะเสียใจได้ครับครับต้องมีปัญญาใช้ปัญญาด้วยครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจวันนี้วันนี้วันนี้สมาชิเยอะโอเคฝากกมื่อไหร่ใช่ใเดี๋ยวเรารอรอบสองเรียกค่ะโอเคอย่งมีแค่นี้ครับเป็นรุ่งระสามรอยแปดสิบเจ็ด เห็นปฏิทันต่อไปแล้วกันนะการนำักการยค่ะโอเคสาธุคุณจอยเชนสาธุอนมโมทนที่ได้ทําบุญ<อ>ได้รับแล้วนะคุณน้จัดการให้นะก่ออาจารย์แต่ว่วาหนูจะทํายังไงอยูไ่ไกลกันก็ทําอย่างนี้นะเหมือนกับใส่บาตก็หนูก็เลย วันวันเท่ารษาวันวันอาาละค่ะอ่าทำได้ก็ทำไปไม่ไม่ไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะอันนี้ที่นี่ไม่ได้เป็นที่มาขอเงินขอทองะจากใครเทนั้น<อ> แ, ตแต่ก็แสดงอนุโมทนารับทราบ่าได้นับแล้วก็อยากทำบุญเพื่อสังสมบุญไว้ที่ดีงามอะค่ะอะก็ดีเป็นทานบารมีนะจับคุณพาะ มีคำถามเลไหมไม่มีค่ะเข้ามากราบหลวงพ่อค่ะโอเคย่างงก็กไปที่จันตอไปเลยนะเซรวิทย์เหรอคุณเซรวิทย์อยู่ที่ไหนคุณเรวิทย์อยู่ขอนแก่นครับอ่ามีคาถามหมไม่มีครับเข้ามาฟังเฉยๆครับโอเคเดินไปที่คนกลาว่าอะไรต่อบ้าน อ, องานที่บ้านอำเอบ้านอยู่เชืาชา หยุดมาสามวันเจ้าค่ะแล้วรีวิวเปก็เลยปฏิบัติทําอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะตงงรตงง<อ>านเปลี่ยนยังไงเนี่ยวันเราไม่ติดเจ้าค่ะแต่ว่าเขาให้เขาให้อหยุดงานเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าน้อยแต่ว่าช่วงต้นเดือนเดี๋ยวจะมีทหารของกลุ่มคาร์อบอนโค้กเข้าค่ะอ๋อเขามาพักที่นี่ที่ทำงานตรงนี้ค่ะกระจายไปตามโรงแรมที่ต่างๆช่วงนั้นก็น่นนาจะ โรงแรมน่าจะมีมีกำลังได้ามากขึ้นเจ้าค่ะเอ่า ย, <ม>ยมมีมีคําถามเจ้าค่ะคือเมื่อคืนนะคะมันน่าจะเป็นครั้งแรกที่ยมฝันร้ายก็คือมีคนมาเหมือนเอามีดมาไล่ไ ล, ไล่ฟันแต่ว่ายมอยู่ในรถแล้วยมก็ในฝันเนะี่ยยมรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาฟันรถแล้วนะฟันฟันตัวเราแล้วนะแล้วยมก็ทําใจว่าเออจะตายก็ตายปรากฏว่าตอนที่เขาฟัน มันก็เป็นเหมือนบัฟเฟิลอันนี้คือพอตื่นมาเนี่ยเหมือนกับเราเรารู้ในฝันแสดงว่า น, นี่<อ>ดีแสดงว่าเราพร้อมแล้เราสามารถพร้อมที่ยานับอยอ่าพร ม, มดีถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือก็อยู่กับความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาวัคซีนก็ตามหรือเรื่องการจัด ก, การโรงแรมก็ตามแต่ว่าโยมคิดว่าความทุกข์ตรงเนี้ย มันทำให้โยมเห็นธรรมมากขึ้นค่ะอ่ามนมีอะไรเที่ยงแท้แ น, น่นอนทุกคนสชคเสิ่ยงไม่เกิดแล้วก็ต้องในการดับไปเป็นธรรมดาค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือนั่งสมาธิไปแล้วก็มันเกิดไขยใจติดขัดเนี่ยเจ้าค่ะ อ, อ่สิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือเราต้องภาวนาพุโทโธไปก่อนใช่ั้มเจ้าค่ะมันติกันยังไงไม่เข้าใจ หายใจไม่ค่อยออกเจ้าค่ะถ้าเราไม่ไปสนใจมันได้ก็อย่าไปสนใจปล่อยพุยโทโธไปพุโทพโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความไม่ปกติของร่างกายก็าจจะต้องมาดูแลมันไปอือเจ้าค่ะได้คะ่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคไปที่คุณ อ, อนุมาแก้วบัวยัคบุรดอนธานีน อะอนว่มามีคำถามไหมวันนี้เสียงไม่เข้ามาเลยสแสดงว่าตอนที่เปิดไมแล้วแต่ไมมันไม่เข้ามันไม่ทำงานเพราะเวลาเข้ามาไม่ได้กดปุ่มนะเงินไปก่อนนะยังไม่ได้คุณ ป, ประเวศจาก Dallas t ท็ a ซเชิญกาบมันรักการพระอาจารย์ เป็นไงไอ้เขาจะฉีดก็ใช่ฉีดเข็มสามหรือเ่าที่อเมริกายังยังไม่ยังยังไฟเซอรพูดมาบอกว่ายังไม่จําเป็นนี่ครับยังไม่จำเป็นนะครับผมเขาว่าเรายังปูมกั้นชันได้ถึงหกถึงแปดเดือนครับท่านปูเดือนโอเคแต่ลตอนนี้จะมีคําถามจากภรรยาครับผมอ่าเชิญเลยถามเลยอ่าไหวถึงข้อก่อนนี่ไงข้อ กราบมวักการหลวงพ่อค่ะอ่าอาจาริ์พรมีคำถามอะไรคำถามก็คือเอ่ออ่อยากจะรับสินแปรนะคะทีนี้ว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยะแต่ทีนี้ก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันนะคะเจ้าคะ่ะคือแบบว่าการเข้าเนี่ยเราต้องพูดยังไงอยู่ที่บ้านทำอยู่ที่บ้านเวลาจะเข้าซสินแปนะคะ มาถึงสินแปก็ต้องรู้ว่าสินแปดมีอะไรบ้างก่อนรู้เลยอยากไม่ต้องมีแปดข้อมีอะไรบ้างรู้ไหมค่ะค่ะสินห้าทราบค่ะแล้วก็อีกเพิ่มอีกสามนั่นก็คือเราไม่ไม่ไม่นอนไม่นอนฟูกใช่ไหมคะไม่นอนนอนที่เตียงไม่ไม่ดูพวกเอ่ออะไรอ่ะบันเทิงคบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงก็รับประทานอาหารทีนี้ถึงตอนรับประทานอาหารค่ะก็เคยได้ยินมีคนบอกว่า คือแบบพอตอนเที่ยงเนี้ยเอ่อก็ยังอยู่ได้แต่นี้มีคนบอกว่าเอ่อแบบขอว่าพอหลังบ่ายสองโมงแล้วจะไม่ไม่ทานอะไรอีกเลยอะไรเงี้ยได้นะคะไม่ได้นะเพราะตบ่ายส<พ>อง ถ, ถ, ถ้ามันกดกดคำสินเขามันอยู่หลังเที่ยงวันไป10อ๋โอก็อีกสองั่โมงไม่ตายหรอกไม่ตายกันหรอกค่ะค่ะคือ ว่าลองทําครั้งแรกก็คือตั้งใจคือทําไปแล้วนะคะสามวันแต่นี้ก็ที่ว่าคงรู้สึกว่ามันมันแปลกแล้วเพราะว่าเรคุยกับเพื่อนเพื่อก็บอกว่าเอ๊ะเราเคยปรึกษาถามใครดูแล้วเขาบอกว่าขอสักบ่ายสองอะไรเงี้ยคือมันเราจะทําก็ได้แต่มันไม่มันไม่เป็นไปตามกดที่เขาตั้งไว้กฎของเขาค่ะอ๋อต้องเที่ยงโอเคค่ะแล้วคราหน้าจะลองทํำวันหนึ่งค่ะแล้วอาหารอาหารแล้วก็อย่างสมมุติเราเริ่ม อย่างการการทําทําวัดเย็นเนะะี่ยค่ะคือได้จาก youtube ของท่านพุทธทาสอะคะ่ะแบบทําวัดเช้าทําวัดเย็นอันนี้ยเราต้องทําด้วยใช่ไหมคะต้องต้อ ง, อองวมันเป็นการฝึกสติเพื่อให้เรามีสมาธิอ๋อค่ะเราสวดเสร็จแล้วเราควรจะนั่งสมาธิต่อด้วยอ๋อค่ะแล้วแล้วสมมุติคําว่าทําวัดเย็นเนี่ย มันมีเวลาที่เราจะทําคือต้องทําตอนเย็นไหมคะคือที่ผ่านมานั่นไปทําเอาก่อดนอนอะไรเงี้ยได้เวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้โอเคค่ะแล้วแล้วทีนี้ตอนเวลาพอจะออกสมมติเราตั้งใจไว้แล้วว่าสามวันเนี่ยฮะนี้เราเริ่มต้นไปก่อดนอนเราไปสวดทําวัดเย็นพอครบสามวันเราก็สวดทําวัดเย็น ของวันที่สามอีกทีอะไรเงี้ยถูกต้องเปล่าฮะผิดผิดกฎไรเปล่าฮะคือการรักษาศีลจะตามโบราณเวลาเนี่ยก็ให้รับตั้งแต่เช้าถึงเช้าเช้าถึงเช้า ว, วันกันหนึ่งคืนค่ะค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็ได้นับเป็นวันถ้าจะเอาถ้าจะเลิกก็ต้องรอให้สว่างก่อนของวันพวกนี้ค่ะค่ะไม่ใช่มาเลิกตอนเที่ยงคืนมันถือว่าตามนาฬิกาสากลไม่ได้ Oh. วันใหม่ทางทางศาสนานี่เราจะรับตอน่อนพระที่ขึ้นตอนตะวันค่โอเคค่ะโอเคโอเคแล้วนาแล้วอีกอันหนึ่งก็ทีนี้ช่วงช่วงช่วงวันของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ อ, อช่วงวันเนี้ยเราเราแบบแบบว่าเราไม่ดูพวกหนังดูละครหรืออะไรอย่างนั้นเรื่องกัเอนเตอร์เทนไม่ใช่แต่ mm. แต่เป็นแบบว่า เช็คลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอบคําถามอะได้ยอันนี้ได้ไม่ผิดนะติดตามข่าวสารอะไได้ฟังธรรมะได้อ่านหนังสือธรรมะได้แต่ถ้าอยากจะเข่งก็ถ้าอยากจะเข่งก็อย่าไปดูมันเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องธุระหรือธรรมะเรื่องธุระที่เรายันเป็นยังต้องติดต่อกันอยู่ค่ะ พรปกติก็ฟังฟังฟังเทศจากท่านพุทธาธบตบ้างหลวงพ่อชาบ้างอะไรตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอะใช่อย่างงี้ดีกว่าดีกว่าไปติดตามข่าวสารน้ำปวดหัวใช่ใช่ฮะฮันไม่ทําฮะตอนช่วงที่บอกว่าตั้งใจจะทําสักสามวันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เช็คเมลได้เช็คลายหน้าเกิดมีการติดตามทุกทางอะไรกันแล้วการไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ได้อ๋อค่ะอืม หมดแล้วเขาคงคงหมดแล้วค่ะแล้วถ้าขาวหน้านี้จะตั้งใจทำใหม่ให้มันรู้สึกว่ามันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นนะเออล้วก็อยา่าลืมลืมเปลี่ยนสิงข้สามด้วยนะต้องนอนคนเดียวนะไม่ได้นอนกับแฟนนะใช่ใช่กาที่แยกกันมานานเป็นป่อง เ, งเอปีแล้วค่ะอ๋อ <c oughs> อ่ะมันเลยตรงตามแบบโควิดเลยค่ะต่างคนต่างทานอาหารทำอาหารเรียบร้อยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปกินอะไรเนี้ยค่ะ โอเคดีทำ <Okay>, ตาม <ะ S 1> กดอยู่แล้วหรือว่สองปีกว่าแล้ว <Okay, S 1> <laughs> แล้วก็ทีนี้แบบว่าแต่คือมีปัญหาไอ้ตรงที่ว่านอนพื้นนอนเสืออะไรเนี่ยคือความหนานี่ได้สักท่าไหก็ถ้าจะนอนบนฟูกก็ประมาณนิ้วหนึ่งพูกประมาณเพื่อเพื่อกันการความเย็นหนึ่งแล้วก็ ร, ร, ร, ร, รักษาหลังกระดูกอะไรได้อยู่ค่ะแตไ่ไม่ต้องการตีมอโมรานแบบไม่ไม่มไฮะไม่ฮะ เตีงสำราญที่ไม่เอาค่ะหลวงพ่อเ อ, เอ้ยหนึ่งนิ้วเนี่ยพราะที่บ้านมันก็เป็นคมหนาอยู่หนึ่งนิ้วเนี่ยมั น, มนจะรวมไปด้วยหรือเปล่าครับมันก็ยังนอนไม่ไหวก็อันนี้มันก็ที่เราพูดนี่คืออย่างของพระที่บางทีมันมันนอนกับพื้นแล้วก็มี ม, ม, มีมีที่นอนที่ทําด้วยยางด้วยทําด้วย อะไรเนี่ยประมาณหนาหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยหรือสียอ๋อหนาหนึ่งิ้วแหละก็เหมือนแบบว่าที่นั่งเวลาเรานั่งสมาธิอะตามวัดอะประมาณนั้นก็พอขนาดนะโอ้โหเพเพราะอะันนี้ก็ไปรวมที่พรมที่ที่บ้านด้วยใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพรมมันถอวเป็นเป็นพื้นเราดูแต่ดูแต่ที่น้อยของเราที่นอนนอนค่ะค่ะไม่หมดแล้วมีละมีอะไรอีะหมดแล้วค่ะท่านพอพมีอะไรก็เข้ากลับเข้ามาใหม่ได้นะทุกวันได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ กตอนนี้ก็เหมือนกับจำสินอยู่แล้วครับพราว่าไปไหนไม่ได้อ่าดีดีดอ่าการธรรมาตร์การเรขอบใจโควิดที่เขามาบางังคับให้เราจำสินกันได้ค่ะใช่ค่ะนีนน่ี่ไม่ถูกบังคับทั่วโลกเลยครับ <laughs> ถ้าเป็นทางธรรมก็ถือว่าดีนะอ่าอันนี้ก็ทำให้คนเข้าธรรมาต์ได้เยอะขึ้นกันว่อใช่โอเคนะตอนนี้ก็ ขอหลพอ่อฉีดยาเข็มสองเร็วๆครับผมเดือนหน้าวันที่สิบเอ็ดคิววันที่สิบเอ็ดขอใหอ้าเลื่อนนะครับเพราะว่าเห็นว่ายาเข้าออกเข้าออกกันไม่เมือันเลยที่ว่าคงไม่เลื่อนนะฮะได้ยินข่าวว่าอโอเคนะอครับกาบวัฒนการครับส<า>ขอเขจะตุก ข, ข้าแข็งแรงครับผมโอเคเป็ไปได้คนสืบพัฒนาจากบอเวนก่าบวัฒนการอาจารย์จ้ะค่ะ วันนี้ก็เข้ามากราบพระอาจารย์นะคะเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามเรื่องว่าปัญญามาจากไหนแต่ก็ได้คำตอบจากคลิปพระอาจารย์ไปแล้วค่ะว่าปัญญานี่อยู่ในส่วนของสังขารกับพระอาจารย์ใช่ไหยคะ คือสังขารเป็นตัวคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งทางกิเลส ก, ก็ได้คิดปรุงแต่งทางปัญญาก็ได้เร า, าต้องสอนสังขารให้หัคิดไปทางปัญญาคิดตามความเป็นจริงอ่ะค่ะเข้าใจไหมถ้าเป็นสอนมัน <อา S 1> มันก็จะคิดไปตามตามตามกิเลสคิดว่าน น, านัเป็นของเราอันนี่เป็นของเราอย่างนี้เนี้ยเป็นความคิดของกิเลสแล้ไม่เป็นความจริงเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเลอ่ะค่ะ ก็คือใช้ความคิดสอนใจก่อนแต่ว่ายังยังยังมันยังเอขืนใจมันยังปฏิบัติไม่ได้แต่เราใช้ความคิดสอนก่อนสอนไว้ก่อนจนกระทั่งมันจนกระทั่งมันจะเห็นแล้วมานั่งอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นของเราจริงๆรนี่ต้องค่ะลดอยู่ของเราใช้อยู่ดีๆขโมยมันก็มาขนไปเนี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเงินของเรานี่คนก็มาหลอก ขอยืมไปแล้วก็ไม่คืนเราอย่งี้ก็อ๋อมันไม่ใช่เป็นของเราเอาไปแล้วแล้วค่ะแล้วอีกอันนึงเนี่ค่ะพระอาจารย์เอ่อการที่เราเราเหมือนกับเห็นคําว่าเห็นไตรลักษณ์การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็คือเห็นเห็นตามสภาวะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจิตมันยังไม่ได้เห็นแต่เหมือนกับว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรคือเราเข้าใจว่า เป็นสัญญายั ง, ยงเป็นความคิดอยู่ญญยัง <ชะ S 1> ไม่ได้เจอความจริง <c oughs> ความจริงต้องเจอตอนที่เนี่ยเงินหายไหมเนี่ยเงินหายแล้วถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังคิดว่าเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเราไม่ทุกับก็คิดว่ามันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราต่อเลเจ้าค่ะอย่างอย่างเช่นเสมมุติว่าหัวหน้าสั่งงานเราอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะสั่งงานเราว่าอ่ะพรุ่งนี้จะจะทําแบบนี้แบบนี้แต่พอถึงวันพรุ่งนี้คําสั่งของเขาเปลี่ยน โดยที่ใจเราเข้าใจว่าอ๋อนี่เนาะคําว่าคําว่าความไม่เที่ยงอันนี้คือก็ถูกคือเป็นเป็นเป็นสัญญาหรือเป็นความ เ, เข้าใจเป็นปัญญาเพราะมันเกิดขึ้นกันนี้เป็นความ<ะ>เข้าใจค่ะแล้วเราไม่ทุกข์กับมันก็ก็เป็นปัญญาถ้ายังญญทุกข์กับมันมยังอยากจะให้เขาไม่เปลี่ยนถ้า ถ, ถ้าทุกข์แสดงว่าเป็นสัญญาเราเองไม่จับองเก่าเอาง แล้ไม่เห็นของของใหม่ของจริงของปัจจุบันใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเราก็พยายามเรียนตรงนี้อยู่โดยเจ้าค่ะพระเจา้าเหมือนคนเคยสวยแล้วพอมาแก่ไม่สวยก็อยากจะกลับไปสวยอย่างเงี้ยอเงี้ยก็สแสดงว่าไม่ได้เห็นด้วยปัญญาใช่ค่ะเห็นด้วยปัญญาว่าเราแก่แล้วกลับไปไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นปัญญาใช่ค่ะยอมร<อ>ับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้ ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็พยายามนั่งสมาธิก็ก็นั่งได้นานขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อยายามนั่งไปเรื่อยๆนะถึกไปเรื่ อ, อยๆใช่ค่ะก็เกือบเกีวเาา่วชั่วโมงแล้วค่ะอาจารย์อสาธุจ้ะค่ะอ่านเองก่อนนะใช่ค่ ะ, คะสาธุจ้ะค่ะ คุณบิวตี้กับไมล์รอบแล้วครับนี่เป็นยังไงเปิดไมล์ ไ, ไ, ได้ไหมอ่าได้เปิดได้แล้วเจ้าค่ะเก่าวนวัฒกรรมเจ้าค่ะแบบภูกเก็ตใช่ไหมคุณยาใช่ค่ ะ, <น>ะใช่ค่ะคอ๋อค่ะคือหนูสงสัยว่าถ้าเกิดเอ่อที่หลวงพ่อสอนว่าเวลาเรานั่งปฏิบัติพยายามให้พูดโ h เพื่อไม่ให้คิดอะไรและให้จิตว่างแล้วก็จะได้บุญเศรษีนี้แล้วเวลาเรานอนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันแต่นี้ไม่ได้บุญใช่ไหมคะคือเันมันไม่เสถียร อเราไม่มีสติมันก็เลยเราไม่ได้สัมผัสกับอการที่เราไม่คิดแต่ความจริงเวลานอนหลับเราก็คิดแต่เพเียงแต่เราไม่มีสติเราไม่รู้ทึงเราฝันไปนี่นก็เป็นความคิดแล้วมันไม่มันไม่เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเรานั้่งสมาธิเราไม่คิดในใจมันถ้าไม่ใช่มันหยุดนิ่งจริงจริ ง, งมันจะเกิดความสุขแบบมหาสารย์ใจขึ้นมาอืที่ก็พระเจ้บอกว่า นัตสันติระลังสุขขันสุขอื่นที่เนืวกว่าความสงบไม่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเราสามารถหยุดหยุดความคิดได้ร0อยเปอร์เซ็นอืมอเอาค่ะเป็นความสุขที่เราเรียกว่าเป็นความสุขที่สูงสุดก็ได้อืมค่ะแล้วเออคือหนูปฏิบัติยังยังยังไม่ค่อยได้แตงนี้หนูก็เลยใช้วิธีสวดมนต์แล้วก็นับเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ ได้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนแล้วครับพอเสร็จแล้วลองลองนั่งลองยืดนั่งดูลมต่อจอเสร็จแล้วอย่าเพิ่มเลเจ้านเสร็จแล้วก็ลองลองดูลมสักห้านาทีสินาทีนดูว่าจะทาได้หรือเปล่าเพราะการส่วนนี้เป็นการปลุกสติให้เกิดขึ้นมาก่อนอืมเจ้าค่ะพอได้สติแล้วก็เรามาใช้กับการนั่งดูลมหายใจเข้าออกต่อ สวดมนต์นี่คือเราสวดบทไหนที่เราชอบก็ได้ใช่ไหมไช่ไห้ใช่ไหม่ไหมใช่ช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไ่ไหมใ่ไหมใชไ่ะหมใช่่มม่ไม่ไหม่ไใ่หม่ไใหใหให่่ไ่ไหมใ่างเดียวถึงช่ทําประโยช่์อืม่ไ่ไม่ไม่ไมใช่ไหมใ่ไหมใ่ไหมใมใมใ่ไหมใ่ไหมใช่ไหม่ะหมใช่ไมใ่่มช่ชหมใใช่ม กลับอีกลนมัสการเจ้าค่ะ อ, ออยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดกาลสินเจ้าค่ะกาลสินมีคําถามไหมวันนี้เอเพิ่งเข้ามากลับนบมัสการครั้งแรกเจ้าค่ะอ อ, อยากจะถามอะไรหรือเปล่าอ่ายังไม่มีเจ้าค่ะขอเ อ, อเรียนรู้คําสอนของพระอาจารย์ไปก่อนเจ้าค่ะได้ก็เชิญฟังไปเรื่อยๆก่อนนะสาธุเจ้าค่ะ โอเคเชินคุณสภพัตาจากเดลั a เท็กซัสอเโรกาลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีแล้สญญวสำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จแนะเรื่องเรื่องเรื่องความรู้ความอยากรู้ใช่ไห ม, ไม <laughs> รู้หมดแล้วพจะทำทำได้กันป่ะกันก็ก็ตามคําสอนเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะตามคําสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะ้ว่าต้องปฏิบัติอย่างเดียวลนั่นี้งรู้รู้แล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรก็นํำมาไปฏิบัติดีงั้นก็ฟังต่อไปนะจะได้ถ้ามีถามได้เจ้าค่ะ กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะป็นพัทราพรบัวสุกจากสเปนประเทศสเปนไบี่าบงไงเรยวสบาสดีเลรอนครับสบาสดีครับเอ่อขออนุวัทนากับภัะธานที่ส่งมาเรื่อยๆนะกับทพิการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลาน หลานสาวลูกเจ้าค่ะบอกว่าอ่าฉีดวัคซีนแล้วอนักกีมาซิยังมีทุเรียนอยู่นะเจ้าคทุเรียนมาล่อยอยากทานทุเรียนก็เลยก็เลยสั่งพี่พรบอกพี่พรจัดทุเรียนไว้ถวายหลวงพ่อหนอเจ้าค่ะพอ่พอสงพ่อเจ้าขาลูกรู้สึกว่า เบื่อนายสังขารแล้วก็หลวงพ่อทํำยังไงเจ้าคะแล้วก็ไม่อยากอาบน้ำแปรงฟันไม่อยากทำอะไรแล้วออันนี้มันเกินไปแล้วนี่เรียกว่าเกินไปแล้วอสุดตองแล้วะทํำยังไงเจ้าคะหลวงพ่อเบื่อนายคิดว่ามันเป็นเหมือนต้นยนต์ที่เรายังต้องใช้อยู่แล้วมันเปื่อนก็ต้องไปต้องไปล้างมันต้องไปทําวามสะอาดมันนี่ไม่ได้อยู่กับสังคมไม่ได้ถ้าเราอยู่ในป่าคนเดียวเขาไม่เป็นไร เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันเป็นชีตัวเองก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวในป่าแต่ถ้าเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องคำนึงถึงต้องให้ความเมตตาขเขาไม่ใช่เป็นสร้างความทุกข์ให้กับเขาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกแต่เราอย่าไปติดมันก็แล้กันเราอย่าไปติดสังขารเรอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปหลงว่ามันต้องสวยต้องงามต้องอยู่ไปนานๆอย่างเี้ยยอ่าไปคิดอย่างนี้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สวยไม่งามได้อยู่ แต่เรายัางมีหน้าที่ทำดูแลมันก็ต้องดูแลไปให้ข้าวให้น้ำอาบน้ำอาบท่าให้มันไปเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งนะั่นเวลายร า, ยาก็อามาใช้ติดต่อกับคนนั้นคนนี้อยู่เจ้าค่ะเจ้าค่ะสะาดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนบ้าไ ป, ไปในสายตาของคนหนึ่งเขาเลยใหนี้ไม่เอาเลยรเลย น้ำก็ไม่หักมีคนบอกมีคนบอกว่าคุณขี่เพี้ยนไปแล้วเพี้ยนแล้เนี่ยเขาเรียก่าเพี้นะนะการปฏิบัติทำต้องรู้จักความเหมาะสมทั้งทางโลกทั้งทางธรรมต้องปฏิบัติให้มันอยู่อยู่ด้วยกันได้ไม่ขัดกันแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วค่ะทำมส่วนใหญ่เปนเรื่องในใจแต่ร่างกายมันเรื่องภายนอกที่คนก็เห็นเราก็ต้องเราก็ต้องจัดร่างกายให้มัน เหมือนกับคนทั่วไปเขาทํากันเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าพอมันเหมือนพอละแล้วมันไม่เอาเลยหลวงพ่อมันมันแบอมันสุดตรงที่เลยมันอย่างเงี้ยมันจะย้อนไปเวลาหวงเวลาอยากสวยก็สวย ส, วยสุด ๆ, ๆเลยใ<ช>เวล า, ามไม่ใหญ่จะสวยก็ไม่เอาอะไรเลยใช่เจ้าค่ะเพราะว่ า, าทุกคนาทําสายการนะเอพอ<ช>ดีก็ดีดทุกคนเห็นแต่เราสวยแบบไม่เคยแบบแบบเกิดอะไรขึน้นทุก ก็ได้ยินเสียงเวฟเวหูมากเยเจค่ะกลาขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจะพยายามเจ้าค่ะเวลายัางก็้อยู่กับสังคมอยู่อยู่อยู่กับคนอื่นอยู่เจ้าค่ะอ่าเดียวเขาก็บอกคุณแม่ครับดูก็บอกว่าอืมไม่เป็นไรลูกแม่ใจสวยแต่เขาไม่เห็นใจเราสิเขาเห็นแต่ร่างกายเรอ เจ้าค hmm ่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่ลูกก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวอ่าแล้วแต่การละเทศคุณแม่ทราบลูกอะไรเงี้ยรักกมันก็ไม่ดีชังมันก็ไม่ดีร่างกายต้องอยู่ตรงกลางระหว่างรักกับชังไม่รักไม่ชังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลดูแลมันไปด้วยเหตุด้วยผลเด้อค่ะหลวงพ่อเจ้ค่ะเดค่ะเ้อคกราบประคุณกับสาธุศาสตร์เถจ้าค่ะใช่คุณปานุต่อ เปาน่กับมรัช ก, การพระอาจารย์ครับมีครับอยู่ที่ไหนอยู่ชาเช น, ซ า, ชาชนซาว์ครับชาเชนซาวเคย<ม>เข้า<ำ>มาบ้างครับแต่ว่านานๆก็มาทีหนึ่งครับมีคําถามไหมวันนี้ครับ อ, อช่วงนี้ผมภาวนาก็เน้นเรื่องกายกับเวทนาเป็นหลักนะครับคือเริ่มจากทําสมถะให้จิตพอมีกําลังก่อนแล้วก็พิจารณากายทีนี้ในระหว่างพิจารณากายเนี่ย ทีแล้วก็ขยายเราก็ดูตรงไหนที่มันรู้สึกมันดื่มดมเนี่ยมันก็พลิกมาเป็นเป็นสมถะแวบหนึ่งแล้วก็จับได้ว่ามันเป็เวทนาตัวนึงเกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่าจิตมันจะคล้องตัวในการจะจับไปตัวเวทนานี้เพราะพี่เรนาจอยไปจริงระยะหนึ่งเนี่ยกําลังมันไม่พอนะครับผมก็จับมาพูดโทหม่พูดโทพุดโธไปพอเริ่มมีสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ไปจับเองมาเวทนาที่มันเกิดขึ้นตั้งที่ขาที่หลัง ทีนี้ในระหว่างที่จับเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนียช่วงหลังมาในผมรู้สึกที่จะนาเวทนาบ่อยมากนะบางทีก็นั่งนั่งได้นานแล้วก็พิจารณาได้แยกขอาไปไ ด, ได้ละเอียดเวทนามัน ก, ก็ตั้งอยู่ประมันแต่ที่นี้ในระหว่างที่เราเห็นเวทนาอยู่ตรงนั้นเนี่ยขณะที่จิตมันจะพลิกเข้ามาบอกเราว่าอัตโนมัติัง้งเขาเลยว่ามันมันเจ็บเนี่ย มันเห็นมีการปรุงเป็นเป็นร่างกายในส่วนนั้นขึ้นมาด้วยแล้วก็อ่าความรู้สึกที่เราติดดิ้นดิ้นลนกํามันมันก็วางไปปุ๊บเวทนามันก็ตั้งอยู่จิตมันก็มันก็ดูอยู่กับเวทนาอยู่งนั้นแต่พักมันก็ขยับอีกแล้วเราทำมันก็เห็นว่ารูปเนี่ยรูปข้างในเนี่ยมันก็เกิดอายตนาข้างในเนยมันมันวิ่งเข้ามาพร้อมกันให้เรารู้สึกว่าเนี่ยปวดเจ็บ แต่มันเกิดปุ๊บแล้วเขาันมันบ่อยๆเขามันไปๆมาๆมันก็เหมือนว่าผมก็พิจารณามันมีทั้งเวทนาทั้งกายเนี่ยสลับกันไปตลอดหรืออย่างบางครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมาธิเนี่ยผมนั่งนั่งนั่งดูคนทั่วไปแล้วก็กําหนดเป็นกระดูกบ้างกําหนดเป็นเป็นรูปกายต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็เห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นคู่กันเวทนาที่เราเห็นเป็นความสุขะบ้างอาจจะเป็นนที่มันเข้าไปจับในตัวลูกข้างใน มันก็เกิดเวทนาผมไม่รู้ว่าที่ทําอยู่แม้มันถูกต้องไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันจะวัยในการจับไปตัวที่เป็นความรู้สึกทั้งตัวที่เป็นเวทนาใหญ่แล้วก็ตัวที่มันมากับสังขารนะครับคือเท่าที่ฟังมานี่คุนจะไม่เข้าไปในสมาธิเพิ่พอนะครับคนนั่งมาพิจารณาทางปัญญานี่มันจะไม่ค่อยมีกําลังที่จะปล่อยว่างจาที่คุณพิจารณางั้นคนจะ ควรจะเอาสมาธิให้มันเข้าไปเล็ก่อนเล่าก่อนแล้วให้มันแช่อยู่ในนั้น น, นานๆก่อนครับแล้วค่อยออกมาออกมาแล้ทีนี้คนก็พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาอะไรคก็ไปได้ถ้าเป็นไปได้ควรจะแยกเป็นสองสองภาคเลยช่วงที่ทําสมาธินี้ยังไม่ต้องไปพิจารณาเลย เพราะณามันก็จะทําให้จิตไม่เข้าเข้าเข้าไปในสมาธิไม่ได้ได้มันดิ่งเขเรียวให้จิตรวมไม่ได้ก่อนนมถึงจะเรียกเป็นสมาธิจริงจิตนึ่งรวมสักแต่ว่าเูาเป็นอเบกขาบางทีร่างกายอายตนะอะไรต่างๆหายไปหมดเลยอย่างนั้นต้องการให้ได้สมาธิแบบนั้นก่อนแล้วเวลาที่รวมเม็นอัปปนาเลยนะครับ <ขอ S 2> น, น, นี่เรียว่าอัปปนาสมาธิเลย แล้วก็ต้องทําให้มันบ่อยให้มันชํานานเพราะเราจะต้องอาศัยสมาธิต้องกลับเข้าไปอีกบ่อยๆเพราะเวลาที่เราพิจารณาปัญญาแล้วบางทีจิตมันจะฟุ้งขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันด้วยการเข้าไปในสมาธินีงั้นคิดว่าทางหน้าสมาธิคุณยังทําไ ม, ไม่ไม่มากพอแล้วก็ไปสลับใช้ทางปัญญาเลยในช่วงที่นั่งสมาธิอยู่ มันก็เลยมันก็มันจะได้แบบผิวเฉยได้แบบผิวเฉยโอกาสครับคือว่าบางทีเราทำสมาธิเนี่ยมันได้แค่ในระดับเดียวครับมันยังไปไม่ถึงอัปนาสติกเหนึอนก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปถึงตรงจุดไหนเหมือนกันนะครับพุทธเจ้าก็พยายามพยายามใช้สติพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปต้องใช้พยายามมันถึงเนี้ยต้องดันมันเข้าไปให้ได้ถ้ามันไม่ดันเข้าไปไม่ได้นี้ เวลาจะไปสู้กับกิเลสนี่สู้มันไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้ถึงมาจะเห็นด้วยปัญญาว่าไม่เทีย่ยงไม่ใช่เป็นของเราเราก็หยุดมันไม่ได้ทีนี้ในระหว่างที่พิจารณาที่ผมผมกับเรียนพุทธานไปอย่างนี้นะครับว่าเราพิจารณากายอยู่นะแต่พอบางทีเราเห็นกายที่เราผ่าออกมาแล้วมันดืดๆือดเลยความรู้สึกที่ว่ามัน มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยมันจิตมันวบเข้าไปเป็นสมาธิมันเห็นเป็นเป็นความสุขในเวทนานิดนึงเนี่ยแต่จิตมันชอบกระโดดเข้าไปจับไปตัวที่เป็นเวทนาตัวนั้นนะครับถ้าเราไปเห็นมันมันมาแว๊กหนึ่งมันก็หายไปมันก็เหมือนกับว่าในเดิมทีเวลาพิจารณาการเนี่ยถ้าครั้งไหนที่มันมันลงเนี่ยมันจะวกมาเป็นสมาธิด้วยวกมาเป็นสมถะด้วยแล้วมันก็ถอยออกมาแล้วก็ ถ้าไม่มีกําลังผมก็ไปนั่งสมาธิต่อแล้วก็ค่อยมาพิจารณากายในทีนี้กายมันว่ามืนเพจิตมันวบเข้ามาหายตัวสมาธินิดหนึ่งเนี่ยมันเกิดปิจิได้มาฤกษ์นหนึ่งเนี่ยมันก็จับเข้ามาที่ตัวปิจินั้นแต่นี้ทำแบบนีถ้ถูกไหมครับกุจักรก็ไม่รู้จะพูกว่าถูกไม่ถูกเพราะถ้าเราถ้าเป็นเราเราอยากจะให้มันไม่ต้องไปพิจารณาตอนนั่งสมาธิ อยากจะให้มันมีสติใช้สติอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวให้มันดิ่งเข้าไปให้มันรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนพ่เรื่อปัญญานี้พิจารณาเวลาไม่นั่งสมาธิก็พิจารณาได้เดินจงกรมก็พิจารณาได้ทํำอะไรก็พิจารณาได้แต่เวลานั่งเวลาทําสมาธิมันต้องนั่งอย่างเดียวถึงจะเข้าสมาธิได้ ยังไม่ควรที่จะเวลานั่งสมาธิไปใช้กับทางปัญญาปัญญามาใช้กับสมาธิอย่างเดียวจะดีกว่าครับและเวลาใช้ปัญญาวลวออกมาจากสมาธิคุณยังลุกมันเลยจงกลมคุณจะทําอะไรก็พิจารณาปัญญาได้หมตลอดเวลาถ้าเริ่มต้นแล้วเราทําสมาธิแล้วมันลงไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยก็ใช้สติแตเราสติเราไม่พอเราก็ต้องฝึกสติไปก่อนครับ กอนจะมานั่งเราก็ฝึกพูดโธพูดโธไปไว่าเะอะไรก็ผมจะกับเรื่องพุทธาเนี้ว่าจะใช้วิธีแบบเป็นญาอบรมสมาธิคือเราพิจารณาไปเรื่อยๆจนให้มันลงหลงจะจะทําได้ไหมครับก็ลองทาดูสิถ้าคิดว่าคุณมีปัญญาพอที่จะทํามันได้ก็คือเราก็ต้องพิจารณาหาว่ามัปัญญาระดบนี้มันไม่ทําให้จิตรวมได้คมันอาจจะทําให้มันรําับความคู่ซ่านต่างๆได้ครับ อย่างก็ลองทรดูบ้างแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นแบบบอกแนวทางว่าควรจะแยกกันแยกทำสมาธิกับปัญญาแยกออกเป็นคนเรสวยนั่นดีกว่าคครรัับบแต่ถ้าคุณพอใจมีความสุขของการทําของคุณแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเงแต่ว่ามันจะดับความทุกข์ได้เนาะมันจะดับความทุกข์ได้หรือเปล่าทั้งทเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาครับอย่างบางที ความรู้ที่มันเกิดขึ้นอะมันเหมือนเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆแบบเหมันสะสมแต้เมาอะครับอย่างเวทนาที่เราพิจารณ า, รา จ, จากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยการพิจารณาเวทนาเหมือนเราขยากนมันมากเลยวะรู้สึกเป็นอันสุดท้ธธายที่ถ้าเกิดว่ามันจะเจอเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมาเลยแต่จะพิจารณาอีกแต่พอหลังๆพอเราพยายามฝืนมาเรื่อยๆเข้าเนี่ยตัวเวทนาอตัวเวทนา<ๆ>ววนี้ที่เราต้องพิจารณาคือตัวทุกเวทนามากมับเวทนาตัวอนี้มันไม่สําคัญครับ เวลวเจ็กายเยเวลาปวดเมื่อยปวดตามร่างกายต่างๆนี่เราใจปล่อยวางมันได้หรือเปล่าอยู่กับมันได้หรือเปล่าเราต้องวิ่งหายาแก้ปวดกินกันนครับอันนี้นเป็นเวทนาเวทนาที่เป็นตัวปัญหาเวทนาตัวอื่นที่มันไม่ได้มาก่อขุ่นจิตใจเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจกับมันก็ได้ครับผม เอาโดยนี้มันมาบรบกวนใจเรานะให้มันไม่มาบรบกวนใจเราได้หรือเปล่าให้มันมาแล้วใจเราไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับมันได้หรือเปล่าเหมือนเหมือนในสมาธิเนี่ยมันแยกออกมาเป็นคนละส่วนนะอย่างเช่นระบวดขาเนี่ยเรานั่งสมาธิอยู่แต่เติมที่ที่เคยพิจารณาแล้วเราก็ก็สู้เขาไม่ไหวเน่ยหลังๆเนี่ยอปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ก็รู้สึกว่าเรามองเขาแล้วก็แยกตัวหลังๆพอเขามาเนี่ยเราลุ้และมาอีแล้ว มันก็รู้ว่ามันก็จิตมันก็อยู่มันก็แยกกับเวทนากันคนละส่วนนะแต่ในขณะที่จิตกับเวทนามันแยกกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับมันก็ไปพิจารณามันก็แยกเขาอยู่อย่างนั้นแต่มันจะมีบางขณะที่จิตมันคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปทันในตรงที่มันมันมันขยับขึ้นมาหน่อหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามันปรุงรูปของขาเนี้ยแจ้งขึ้นมาด้วยครับ เปลี่ยก็เกิดจากกิเลสความอยากไงอยากจะให้เมตนาให้ไปอยากจะหนีอยากวทนาไปอันนี้ก็หนีได้ชั่วคราวเลยมันก็ตามมาใหม่เป้าหมายก็คือต้องไม่หนีมันต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าให้มันหนีเราไปเราอย่างนี้มันเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ต้องเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีแต่เราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปหนีมันเราต้องฝึกจิตให้อยู่เฉยๆกับมันให้ได้แล้วให้มันหมดมันไป ไม่งั้นแล้วต้องคอยหนีมันอยู่เรื่อยๆจน ะ, ะยามอยู่ครับจะบยามอยู่ตัพิจารณาอยู่ครั บ, รบกรับขอบพระคุณครบอาจารย์สาธุถ่ายคนไปยืนนะเชิคุณปยุนต่ออยู่ที่ไหนคุไปยุนงานพิศการครับพระอาจารย์อยู่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับมีอะไรไมมีคาถามอะไรบ่า ครับมีคำถามเดียวครับอาการเจริญภาวานาเนี่ยอ่าต้องศีลแปดเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ครับจะได้มีกำลังอยู่ที่ว่าเราต้องทำมากทำน้อ ย, ยถ้าเราทำแค่วันละครึ่งชั่วโมงนี้ถือศีลห้าก็ได้แต่ถ้าเราต้องการทำทั้งวันทั้งคืนนี้ก็ต้องถือศีลแปดเพื่อจะมีเวลามาทำได้ เพราะถ้เราเซนเซนเี่ยนถ้าเรายัางไปดูทีวีได้ยังไปกินข้าวเย็นได้ครับหมายถึงการจเจริญภาวนานี้ใช่ไหมครับนั่งสมาธิอะไรใช่ใช่นั่งสมาธิเดินจงกงงเนี่ยที่เราต้องต้องการจะทํามากได้เท่าไหร่ถ้าเราทํามากต้องการทํามากเราก็ต้องเอาเวลาที่เราไปดูหนังฟังเพลงนี้มามาทำํำเราก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปดูหนังฟังเพลง แล้วถ้าเราถือสินห้าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะจิตรวมได้ไหมครับสมาธิรวมได้ไหมจะรวมไม่รวมอยู่ที่สติครัไม่ได้อยู่ที่สิ่งบางคนด้มีสติเดิมทีนา่งทีก็ไม่ได้ถือสินใดเพราะนั่งสมาธิห้านาทีจิตเขาก็รวมได้ตอนนี้เนี่ยมันเรื่องอยู่ที่การจะรวมไม่รวมนี่อยู่ที่สติว่ามีมากมีน้อย ซึ่งแต่ละคนนี้ในแต่ละภพแต่ลชาติน่ะจะสะสมมาไม่เท่ากันก็ได้งั้นมางทีเราอย่าไปประมาทคนไอ้มึงไม่นัมึงไม่รักษาศีลอะไรทำไมมึงนั่งสมาธินั่งจิตรวมได้ก็มีแต่บางคนถือศีลแต่แล้วนั่งไงมันก็ไม่รวมเพราะมันไม่มีสติครับในการจะรวมไม่รวมนี่อยู่ที่สติศีลจึงจะสนับสนุนให้นามีเวลามาปฏิบัติ เพราะวสินแปดมันจะห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวไปกินไปทำกิจอย่างอื่ น, นให้มีให้เอาเวลามาทำกิจของการภาวนายอย่างเดียวนั่นเองครับผมเข้าใจไหมควรจะเข้าใจนะเ<พ> <นะ S 2> ข้าใจนะครับโอเคนะไปที่ข่านต่อไปนะคุณศินารินารัตน์สินารั น, นรอยู่ที่ไหนเปิดไมก่อนจะ ได้ไหยอ่าได้นะค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอ่ามีคําถามอะไรเปล่าก็มีคําถามว่าบางทีอยากจะแบบว่าเจริญสติอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันเจอแบบนิวร์นะคะมันสู้กับตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะก็ไม่เป็นไรใหม่ๆก็อย่างเนี้เราเป็นเหมือนแตมวยหัดใหม่เราไปสู้กับแชมป์โลกก็สู้เขไม่ได้อกแต่ถ้าเราพยายามเพียงทําไปเรื่อยๆทําเท่าที่เราทําได้ไป ฝึกทำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ยากหรอสติเนี่ยเดินตาขึ้นมาก็เราบอกว่าตอนตอนนี้ยังไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้ท่องพุทโธพุโทพโธไปภายในใจอา น, นนน า, าน้ำนั่งหน้าแปรงฟัดเนื้ออะไรก็ทําพุโทโธไปค่ะแล้วบางทีไม่ค่อยกล้าเข้าห้องพระรู้สึกแบบกลัวในห้องพระเป็นห้องปลอดภัยไม่กลัวเลย บองที่ทําแบบนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบไม่มีอะไรน่าก <คน S 1> ลัวสิ่ง<ฆ>ที่เรามันเป็นความรู้สึกที่เราปลูกแต่งได้นมาเองหล่อ<ฆ>ตัว เ, เอง<ฆ>มันไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรมาทําลายเราได้ไม่มีอะไรมาทําลายจิตใจเราได้ไม่ต<ฆ>้องกลัวแต่ไม<ฆ>ันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวขนาดไหนมันก็ทําลายจิตใจเราไม่ได้ค่ะ สิ่งที่ทำายจิตใจเราได้ก็คือความกลัวนี่ะในเวลากลัวก็ให้ทำพุทโธพุทโธไปหรือส่วนบทอินทิปิโสไปก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะหายกลัวอ๋อค่ะเอย่าปล่อยให้นั่งเฉยๆอย่าปล่อให้คิดยิ่งคิดมันยิ่งมันยิ่งกลัวใหญ่ต้องอยู่การเทียนในการสวดอินทิปิโสไปหลายๆจบห ล, ลายนอกอ๋อค่ะแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปค่ะพระอาจารย์ อต้องขยันต้องขยันส่วนขยันท่องถ้าีิเกต์มาช่วยไม่ได้อังศีหรืออะไรตัณโนวาโถกระหนุดทำให้เราไม่ได้ค่ะเหรือจะปฏิบัติอืมนะต้องพยายามบังคับตัวเองเฝิญตัวเองทำไม่ถูใช่ค่ะนานมันก็เหมือนกับหัดเดินเด็กที่ยังไม่เคยลุกขึนมเดิน<ช>ก็เหมือนตรงนี้เดินไม่เป็นค่ะค่อยๆหัดทําไปต่อไปมันก็เก่งเองชำนาญเอง ได้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะ okay. มีทานนี้ใช่ไหมค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวหนูจะพยายามหับคราดึงตาขึ้นมาลองพุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วนั้นแล้วนี้นนเอามาคิดพุดโทโธพุโทโธแล้วเอทีปิโสก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์อ okay. เคราทําดูเราจะเห็นประโยชน์เกิดขึ้นไม่ทันทีเลย รูสึกใจเราเริ่มีเสถียรภาพนึ้นไม่ว่าแวกตั้งมั่นตั้งตั้งมั่นค่ะอาจารย์ไป่วกว่าถ้บวกว่าก็สวดไปเลยพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยมันก็นิ่งเองค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ที่คุณสารนาฏ ต, ต่อคุณถ้านผิดสารานาฏขออภัยในคุณสารานาฏอยู่ที่ไหปกดหมายก่อน อยู่ทางด้านซ้ายออขอมาลัทธิกาค ร, รับอาจารย์หนูเพิ่งเข้ามาวันแรกค่ะวันนี้ยืนนิ่งตั้าน้ำอยู่ที่ไหนค่ะยังไม่มีคําถามค่ะมาฟังมาฟังก่อนค่ะอยู่ที่กรุงเทพเลย อ, อยู่ที่นนท บ, บุรีค่ะอ่านนท บ, บุรีโอเคค่ะเห็นไปที่คุณพรเทพต่อเลยเป็นคุณพรเทพอยู่ที่ไหนสวัสดีครับสมาัทธการครับหลวงพ่อ มีคำถามไหมต้องได้หน่อยแล้วนะเพราะเวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวคนอย่างนี้อยู่อายุทยาครับอายุทยาครับผมมีคำถามอะไรไหมเออเวลาปฏิบัติไประดับหนึ่งแล้วครับสวดนมนต์มาประมาณสองปีได้ครับแล้วรู้สึกสัมผัสสิ่งต่างๆได้ครับอีกมิติหนึ่งครับ ก็สิ่งที่เราต้องการสัมผัสจริงๆจากการปฏิบัติก็คือความสงบความว่างถ้าเราไปสัมผัสเรื่องอื่นนี้เป็นถือว่าเป็นวิชาสมาธิมันจะพาเราหลงทางได้ไม่ควรไปสนใจพยายามไม่สนใจอยู่ครับผมพยายามก็หาความสงบความว่างจะดีกว่าเพราะนั่นนะคือคือความสุขที่แท้จริงถ้าไปเห็นนิม่เห็นอะไรต่างๆเห็นนันเดชเห็นนันาานาพอดีมันเป็นเรื่องของ เรื่องของตายรักเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งหลังจะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดไปติดกับมันเนี่นไม่ควรไปสนใจควรเดินดึงจิตกลับก็ามาสู่ความสงบสู่ความว่างดีกว่ากลับมาอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจอย่าไปตามดูสิ่งที่เรามาให้เรามาสัมผัสรับรู้เข้าใจไหมเข้าใจครับออื ว่าสมาธิเราต้องการก็คื อ, อความสงบความเป็นหนึ่งศัก์แต่ว่าเราอุเบกขาแล้วก็ความสุขที่เกิดจากความสงบเลยตัวนี้เราจะเป็นตัวที่จะทำให้เรามีพลังที่จะไปเจริญปัญญาแล้วไปใช้ฆ่ากิเลสต่อไปได้อย่างหนึ่งทําไม่ได้ครับากครับโอเคเอาทนี้นะครับ คุณรวรรุญต์จ่าคุณวรรุต์อยที่ไหนกราบในนักสการหลวงพ่อครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่นคนปรปฐมครับอมีคําถามอะไรไหมคือผมนั่งสมาธิครับแล้วทีนี้คือเราไม่มีใครแนะนําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทีนี้มันมีคําถามขึ้นมาก็เลยปรึกษากับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ให้มา เข้ามาในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์แล้วก็ปรึกษาทีนี้คือผมนั่งสมาธิไปแล้วนั่งไปเรื่อย ๆ, ๆจนลมหายใจมันไปหมดแล้วครับแล้วก็มันนิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็จะมามีความรู้สึกอึดอัดอยู่ตรงช่วงคอเนี่ยครับผมก็เลยถอยกลับถอยกลับแล้วก็ลองใหม่มันก็จะติดอยู่แค่ตรงนี้ครับตลอดทุกครั้งเลยไปต่อไม่ได้ดูลมน้ําพอลมหายแล้วก็ไปมีอาการอึดัดที่คอ ขับแต่ว่าข้างบนนี่คือมันนิ่งนิ่งไปหมดไปนิ่งไปหมดแล้วครับแล้วก็ลมหายใจสัมผัสไม่ได้แต่ว่ายังมีพุโทโธอยู่ที่ที่เราที่เรายังยังยังพอจับได้อยู่พอเราเริ่มหมดลมหายใจแล้วก็จะถอยกลับบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับผมมากลัตายครับอาจารย์แล้วก็ยังไม่เคยคุยกับใครในเรื่องนี้เลยแล้วพอดีได้คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็เลยแนะนําให้มาหาผู้รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้รู้คืออะไรเขาก็เลยส่งลิงก์ของพระอาจารย์มาให้อะครับ ก็ถ้าถึงจุดลมหายไปก็พุโทโธยังอยู่ก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวก็ได้อย่าหยุดอย่าอยูดพุดโทโธแล้วอย่าไปสนใจกับว่าการที่เกิดขึ้นแน่นหน้าออกหมืออะไรก็ช่างมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพุโทโธก็จะพาเราเข้าสู่ความว่างสู่ความสงบเอง ท, ทีนี้ผมจะมาติดอยู่แค่ว่าเรื่อง เราเรากลัวตายอะนะอาจารย์แล้วก็แล้วก็ไม่ตายหรอนั่งไม่มีใครตายเวลานั่งสมาธิไม่มีใครตายส่วนให ญ, ญ่ตายว่าไปกินเหล้าขับน้อนเมาชนกันมากกว่าครับอ า, าจารย์อาจารย์มีมีอะไรแนะนําแบบว่าให้ใ ห, ให้ให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ไหมครับก็พยายามฝึกพูดเทอก่อนที่มานั่งช่วงช่วงที่เรายังไม่นั่งพยายามท่องพุดธทอพูดเทอไปเรื่อยๆอยากปล่อยอให้ใจเราคิดเรื่อยๆตัว นะแตเวลามาน่างพูดโธจะมีกำลังที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ับนะโอเคนะครับขอบพระคุณครับนะท่านต่อไปคุณนักเย น, นนะัทเนีเ่ย น, นัลเยนนัทเชนอยู่ที่ไหนกราบนวัศการค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่นนทบุรีค่ะมีคำถามไหมมีค่ะพระอาจารย์เอ่อ คือหนูยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่ที่แนะนำการปฏิบัตินะคะแต่ว่าหนูก็ศึกษาธรรมะเพราะมันมีความทุกข์จนเราจนหนูหาทางว่าทำยังไงหนูถึงจะไม่ไม่เจอทุกข์แบบนี้หนูจะรักษาใจตัวเองก็ถือศีลห้าือศีลแปดแล้วก็ก่อนที่จะป่วยหนักนะคะผ้าอาจารย์ก่อนหน้านี้ประมาณหกเจ็ดปีก็เข้าห้องพาเศษตรจวจมลแล้วก็นั่งสมาธิ จนมามีอาการป่วยถึงขนาดเดินเกือบไม่ได้อ่ะค่ะแล้วอาการนั้นมันดีขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยค่ะพระอาจารย์เดินไม่ได้เกือบเกือบหกเจ็ดเดือ น, ม, นมันมันมิมันทําให้หนูมีปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิการนั่งสวดมนต์อะคะ่ะหนูใช้วิธีจะวิธีนอนสวดมนต์ใช้จิตใช้จิตในการสวดนะคะพระอาจารย์ไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นอนสวดโดยใช้ปากอะคะ่ะใช้จิตสวดอ่า สมาทานศีลก่อนทุกครั้งสวดมนต์เสร็จอแล้วก็จะภาวนาพุทโธจนหลับาาานะคะพระอาจารย์ได้ถ้านัําไม่ได้นอนนอนสวดก็ได้นอนนอ น, น, อนพุทโธไปก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะมันจะหลับง่ายเท่านั้นเองมันจะไม่เป็นค่ะหลับง่ายคือหนูเคยมีปัญหาที่ป่วยหนักจนเดินไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มัมนมันเป็นทุกเวทนาที่เราแบบว่าเออมัน จิตเราไปที่ไหนไม่ได้เลยเราหนูหนูจะจับอยู่กับความความเจ็บป่วยที่หนูเป็นหมอลองผดุครับเส้นนะคะแล้วก็ปวดลงสะโพกแล้วลงขาคือปวดคือขยับตัวไม่ได้เลยค่ะอาจารย์นอนไหนไม่ได้เลยหนูหนูก็เลยมันเหมือนกับมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรคร่ระอาจารย์มันมัมนมันมีตัวให้มาบอกเราว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นแบบนี้ให้ให้เอาวิกฤตตัวเนี้ย มาสอนมาสอนตัวหนูเองอ่ะคะ่ะให้เราไปจับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ให้อยู่กับเขาคือหน้าหน้าตอนนี้ก็คือกายหนูป่วยแต่ว่าหนูไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความทุกข์เรื่องความเจ็บป่วยอะคะ่ะอาจารย์หนูพิก็ถูกต้องถูกต้องแบบนี้ถูกนะกายกระจายเป็นคนละคนนะั่นกายจะมันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปตามสภาพของมันไป ก็มีทั้งเป็นเมื่วานแล้วก็หมอนลงกระดูกครับเส้นแล้วก็ซึ่งผ่าตัดซีดในรังไข่ะที่ส่วนต้องกาต้องเข้าสู่ความตายทุกคนคิดนี้ก็เวลาที่ทุกข์หนักๆหรือมีปัญหาอะไรอะคะอาจารย์ที่มันแก้ไม่ได้ก็จะนึกหนูจะนึกถึงความตายว่าอ่าคนเรามันหีความตายไม่พ้นอะไรประมาณนี้คือสอนตัวเองอะค่ะพยายามพยายามติดตามพระอาจารย์ทางทางของ facebook ค่ะ อันนี้ขึ้นขึ้นเข้ามาเจอครั้งแรกค่ะพระอาจารย<อ>์พอตายเปปัญหาทั้งหลายมันก็หมดตัวเองค<า>่ะมัน่ทําไปแก้ไม่ ไ, ได้ค่ะก็คือหนูหนูหนูหนูเตรียมตัวเรื่องนี้มาหกเจ็ดปีแล้วค่ะพอาจารย์ไม่ได้หมกมุ่นแต่ว่าเร<า>ื่องความที่เราอยู่กับความเจ็บป่วยอยู่กับ<า>ทุกข์ต่างๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ไกลกับความตายแต่แต่หนูจะทํายังไงที่จะถ้าตายแล้วจะไปได้ดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้ปล่อยวางพยายามปล่อยวางทุกอย่างค่ะตอนนี้ไม่ก็ไม่มีห่วงเรื่องลูกหลานไม่มีห่วงเรื่องทรัพย์ติดใดๆค่ะอาจารย์ก็มีมีแค่ติดนิดเดียวค่ะอาจารย์คือเรานั่งตรวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งนานไม่ได้เลยนอนสวดไปนั่งไม่ได้ก็ต้องทำในท่าที่เราทำได้ไม่เป็นไรหนูจะ ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้จะเป็นการสวดมนต์มากกว่าการการนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์มัเหมือนกันไหยคะส่วดไปก่อนแล้วลองนั่งต่อแล้วลองดูลมต่อหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ดูลมแล้วก็ภาวนาพุทโธไปบางทีพุทโธหายก็จับที่ลมหายใจอะค่ะพระอาจารย์ได้ทํำแบบนี้ใจจะเย็นใจจะสบายใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ ก็คือว่าอืมันมันหนูเกิดมากับความเจ็บไข่ได้ป่วยคือหนูในชาตินี้หนูไม่ได้ค่ะค่ะหนูคิดจากนั้นค่ะพระอาจารย์ว่าเกิดมาใช้กรรมให้เขาก็ตอนนี้คือพยายามทําจิตว่ารู้ว่าเรากําลังชดใช้กรรมเก่าให้เขาไปแล้วก็พยายามสะสมตัวใหม่เพื่อที่วันที่เราไปเราจะได้ไปเจอที่ดีกว่านี้ค่ะพระอาจารย์หนูปฏิบัติได้ไม่มากแต่ว่าพยายาม ถือสินห้านตอนนี้ก็ถือสินแปดแต่ไม่ใช่สินอุโบสถนะะพระอาจารย์หนูเข้าใจถูกค่ะก็คือค่ ะ, ะเพราะว่าหนูหนูหนูอยู่กับลูกคือลูก ง, ง่ายๆว่าสันโดษอยู่ตัวคนเดียวอะคะ่ะปฏิบัติได้เป็นคนไม่ชอบตัวหนังฟังเพลงอยู่แล้ ว, วก็จะอยู่กับบทอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยู่กับที่พระอาจารย์โพสต์บ้างอ่านบ้างแล้วก็ อดู youtube ที่พระอาจารย์สอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังธรรมะฟังธรรมเทศอย่างเงีง้ยได้ไหมคะพระอาจารย์ได้แลก็ต้องปฏิบัติด้วยค่ะปฏิบัติค่ะแต่การการหนูหนูจะได้น้อยตรงที่ว่าการนั่งสมาธิแล้วก็การภาวนาภาวนาหนูทำทุกวันแตได้น้อยค่ะทำ<ม>ทำ<ม>ุกที่เราทําได้ค่ะพระอาจารย์ก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราไม่ต้องเล่นตัวเองใช่ไหมคะ ไม่ต้องน่นเียมันจะพาเราพัฒนาไปถ้าเราไม่หยุดไม่หย่อนค่ะและแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือสามสี่ปีมานี้โอกาสที่จะได้ไปทำบุญทาทานน้อยมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่หนูใช้วิธีร่วมร่วมโอนเงินร่วมไได้โอนเงินได้เง ย, ยนไปนแบบี่เฉลกดครับทำบุญกีบาทก็ได้สิบบาทห้าบาทแล้วแต่กำลังค่ะ ทำที่ไหนก็ได้ทาำมาโรงพยาบาลก็ได้ทาำมาวัก็ได้ทำมาโรงเรียก็ได้ค่ะก็ทําทําไม่ได้ทํามากเหมือนคนอื่นค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรตามตามกําลังของเราสําคัญอยู่ที่กาลังของเราค่ะอย่าไปดูคนอื่นแต่ละคนยกน้ําหนักไม่เท่ากันบางคนก็ยกได้ห้าสิบโลบางคนก็ยี่สิบโลกำลังแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ตอนนี้หนูก็มีแค่แค่เรื่องที่ว่าป่วยถึงขนาดนั่งสวดมนั่งสมาธิไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็นอนสมาธิไปค่ะโดยหนูหนูใช้จิตนะคะพระอาจารย์ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ออเสียงไม่ได้ออกเสียงค่ะได้ค่ะถูกต้องแล้วล่ะทํำดีแล้วะถ้าเราไม่ทุกข์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะนะค่ะกับความทุกข์กิดความทุกข์ของหนูอ่าถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นตอนนี้ก็มีแค่ยี่สิบเอร์เ็น อ่แต่ว่าพอรู้ว่าทุกก็ปล่อยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราขาดมาหมดค่ะมันมั น, ม, นมันมันสอนเราแบบนั้นนะคะพระอาจารย์ต่อไปมันก็เหลือสูงเอร์เซนต์นะถ้าปล่อยตุ๊กตาที่ทุกแล้วก็หยุดมันได้เนี่ยมันก็เหลือมันก็ไม่มีมนมมเะทุกให้เราทุกเองนะค่ะก็หนูหนูอความโชคปีของหนูอยู่อย่างหนึ่งคือพระอาจารย์คะ่ะหนูไม่ไม่มีความโกรธไม่อ้งางแค้นไม่พยาบาไมได้ว่าใครที่ทําให้หนูทุกะคะ่ะ แต่หนูจะจะขอให้คือหนูยกยกโทษให้เขาเอาัยให้เขาแต่เขาจะให้อภัยหนูหรือเปล่าหนูหนูไม่หนูไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่หนูรู้รู้นะว่าหนูไม่ไม่ไม่ทุกข์เพราะควาอาฆาตเขาจะอาาตเราแม่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราอย่าไปอาฆาตเขาว่แล้วกันค่ะหนูก็คือถ้าตอนนี้ให้หนูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะผู้จัดใชวิธีนอนอ่าแล้วในเวลามีความทุกข์ก็ต้องดับมันให้ได้ ได้ตอนนี้คือไม่ไม่เอาทุกข์มาใส่ใจแล้วก็ไม่ย้าคิดจาทาค่ะพระอาจารย์ปล่อยแค่รู้ว่าทุกข์แล้วก็ปล่อยค่ะได้แต่ว่าไม่ลปค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์มาถึงทางแล้วนะทาไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณคนนี้กล้าเกล้าฆ่านะก้าฆ่าไลฟ์นะอ่านถึบน การฆ่าไลฟ์ XOP2 e. อยู่ที่ไหนอยากคุณดอนครับผมครับอาจารย์ครั บ, ร บ, รรบหลวงพ่อครับผมครับอผมได้ติดตามหลวงพ่อทาง Facebook นะครับผมก็ไม่ได้มีอาจารย์เป็นผู้นำในการปฏิบัตินะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยผมเป็นคนไข้จิตเวช ครับผมตั้งแต่อายุยี่ห้านะครับตอนนี้ก็กินยาจะจะงดแล้วครับผมจะงดแล้วสติก็มีผมคิดว่าผมมีมากขอคนปกติด้วยครับผมก็ดีดีใช้สติแทนยาไนดะ้ถ้ามีสติแล้วจิตล่าจิตเวทมันก็จะมันเทาลงได้กับตรงตรงนั้นเนี่ยผมผ่านมาแล้วครับผมแต่ทีนี้เนี่ย ผมอยากได้คือว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมสังเกตเนี่ยการขาดสติเนี่ยมีปัญหาเรื่องอารมณ์ครับผมคืออารมณ์เนี่ยคือไอความพอใจกับความไม่พอใจนีครับผม mm. มันจะเกิดขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาแล้วตัวสติเนี่ยจะหายไปครับผมที่สังเกตเห็นนะครับครับแล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อพอจะแนะนําได้ไหมว่าเออ่ ตรงที่เกิดที่ว่าสติเนะี่ยวิธีเจริญสติเนะี่ยที่จะให้ดีกว่านี้นะครับผมก็พนะยายามมันท่องพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าอย่าทิ้งพุโทโธถือว่าพุโทโธเป็นเหมือนเปืนที่เราจะต้องพบพาตลอดเวลาเวลาไปสู่ที่เป็นภัยกับเราครับผมแล้วทีว น, นี้เนะี่ยผมเอ่อที่สังเกตนะครับเวลาผมมีสติเนะี่ยอาจจะเรียกว่าทางพระอาจจะเรียกว่าอุเบกขา คือว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์มากระทบกับผมคือว่าเจนนี่ครับผมคือตัว น, นั้นเนี่ยจะมีสติที่สุดนะครับผมก็ต้องพยายามให้มันในมากอารมณ์จะได้ไม่เกิดนะเวลามันไม่มีก็แตใช้พุโทโธเนี่ยสร้างมันกลับขึ้นมาใหม่ได้ครับแล้วผมก็เป็นคนอย่างหนึง่งคือว่าผมเนี่ยอาจจะเรียกว่าทางพระเนี่ยอาจจะเรียกว่าเจริญปัญญาหรือเปล่า พิจารณาครับผมพิจารณาว่าสิ่งไนที่เกิดมาเนี่ยมันจริงไหมครับผมถูก mm hmm. ต้องไหมครับผมแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นมาเนี่ยคือว่าออาการจิตเวชของผมเนี่ยคือว่าจะหงแววแล้วก็อ่าระแวงครับผมคือตัวนั้นเนี่ยเกิดจากอาการของจิตคือว่าความคิดนิคิดไปเองนะครับ mm hmm. แล้วทีนี้เนี่ยพอจับไปพอผมเนี่ยคิดว่าผมหายแล้วละ่ะครับทีนี้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยจิตปุงแต่งเนีเยอะมากครับแล้วทีนี้เนี่ยผมจับได้ว่าจิตปุงแต่งเนีเยอะมากซึ่งคนปกติเนี่ยก็อยู่กับประชาชนทั่วไปเนี่ยมีปรุงแต่งเยอะมากเลยครับผมสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ป่วยอะไรนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของผมอยู่นะครับ ว่าได้เจอได้เจอนะครับผมแล้วก็ได้สติจับตัวนั้นได้แต่ตัวนี้ผมมีปัญหาเรื่องความพอใจไม่พอใจเนี่ยครับผมที่ทำให้ผมขาดสตินะครับก็อยากถามหลวงพ่อประมาณนี้นะครับผม อ, อ๋อก็ความพอใจไม่พอใจมันเกิดจากความชอบไม่ชอบถ้าเราชอบอะไรเราได้เราก็พอใจพอเราได้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่พอใจ เนี่ยเราต้องฝึกใจให้เป็นสันโดดยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปชอบไม่ชอบมาอะไรมาก็ได้เอามันหมดแล้วที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือว่าผมจะละลึกอยู่ตลอดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมใช่เราไปเลือกไม่ได้เราไปสั่งไม่ได้เอาแต่ส<ช>ิ่ง<ม>ที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้ มันมีทั้งชอบมทั้ไม่ชอบเข้ามาหาเราเราก็ต้องทําใจรับมันเท่าเทกันถ้าเรานับชอบเราก็ต้องรับความไม่ชอบเท่าเทกันครับคือผมจะใช้ความเป็นธรรมดาเนี่ยและเลือกถึงความเป็นธรรมดาตลอดเพราะว่าผมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มาควบไม่ได้อถ้าผมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นกรรมหรือว่านิสัยที่ปลูกฝังมาแต่เกิดกับผม ซึ่งอารมณ์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ผมแต่ว่าผมจับได้บ่อยครั้งเกือบทุกครั้งครับผมเวลาเวลาที่มีอารมณ์ครับพอใจไม่พอใจครับผมแม้แต่บางครั้งเนี่ยอารมณ์ในการเลี้ยงลูกนะครับผมผมมีลูกอยู่สองคนนะครับบางครั้งเนี่ยความรักเนี่ยก็ยังทำให้ผมเนี่ย เลี้ยงลูกผิดํานองนี้ครับผมมันก็เป็นอารมณ์ส่วนหนึ่งที่ผมจับได้นะครับครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็เลยว่าอยากว่าแนะนำหลวเพราะว่าหลวกพ่อแนะนําว่าการจเจริญสติที่ดีเนี่ยมีวิธีที่จะพัฒนาขึ้นไปให้ดีกว่าเดิมไหมครัผมนอกจากจับคอยจับแต่อารมณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ครับผมก็เราใช้พุโทโธดูบ้างก็ได้อย่าไปจับอารมณ์ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธ ไม่ครับผมอยามอ่าปล่อยให้ใจถ้าไปพุโทโธพุโทโธแล้วมันจะไม่เกิดอารมณ์ไม่ต้องไปตะคอยจับอารมณ์หยุดหยุดอารมณ์ด้วยพุโทโธได้ก็จะเกิดเป็นสมาธินะครับผมถ้าเป็นถ้าไปาพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเวลานั่งพุโทโธเดี๋ยวจิตก็เป็นสมาธิได้ถ้าผมถ้าผมจะพิจนารณาดูเนี่ยมันจะเกิดเบียดคายใช่ไหมครับผมทํามั้เกิดใ ช, ใช่ถูกต้อง ความรู้ตความรู้สึกเขาก็อยากกลับมาใช่พยายามฝึกพูดโทรกันบ่อยนะนอย่าไปดูอารมณ์ครับผมโอเคนะท่านนี้ก่อนนะขอบขอบขอบขอบคุณหลวงพ่อพครับผมก<น>ขอบขอบขอบคุณครับรใช่คุณหมอนาทวุฒิต่อคุณหมอมีคําถามอะไรไหมอ๋อกลับนัำเสียงานของพ่อครับเพราะวันนี้เข้ามาเข้ามารับฟังครับไม่มีคำถาม<อ>ไม่มีอะไรนะต้องพยายามปฏิบัติอยู่ครับนะโอเค เห็น้องขอไปก่อนนะพราว่าเวลามันจะใช่ครับมีคนรออีกเยอะครับแมาคุณชนดาต่อคุณชนดาอยู่ที่ไหนใมักการเจ้าค่ะอยู่สมุทรปราการค่ะสมุทรปราการที่จะไหวของใช่ไหมพรุ่งนี้แช่ชันอะไรพรุ่งนี้เป็นขนมจีนน้ํายาค่ะอ๋อ น, น้ําลายอะไรก่อนแล้วนะพอ <c oughs> ดีว่าอะไรนะเขาใส่กระชายอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ ก็เลยมองว่าน่าจะเหมาะกับช่วงนี้ยาวกันโควิดนะใช่ค่ะช่วยต้านโควิดไม่รู้ช่วยได้หรือว่าไม่ได้ไม่แน่ภูมิภูมิปัญญาชาวบ้านใครจะไปรู้เนี่ยประมาทไม่ได้ค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วก็ก็เข้าชมทางเฟซบุ๊กนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาตรงนี้เราจะได้กินวส่านาอาทิตย์ที่แล้ว พระอาจารย์ได้ฉันไหมคะน่าจะได้ฉันได้ฉันนี่เองเลยเขาทำลูกวันนะค่ะก็กเสงสัยอยู่ว่าในเรื่องของการเมตตานะคะการเมตตานี้จริงๆแล้วการเมตตาจริงๆมันมันทําให้เราเกิดความทุกข์ได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเมตตาแบบไม่ยึดก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ายึเมตตาแล้วหวังผตอบแทนเนี่ยจะทุกข์ อต้อ ง, งต้องให้แบบไม่หวังผลตอบแทนให้เงินก็เวลาก็ไม่ต้องหวังว่าเขาจะต้องมาขอบใจเราหรือไม่ขอบใจเราค่ะหรือเราเราบางทีเราเห็นสัตว์ที่กําลังจะตายหรือเขาลําบากอะไรเงี้ยแล้วเร า, า, เราล้ตาตัวไม่ได้นี่แสดง ว, ว่าเราขาดอุเบกขาเราต้องใช้อุเบกขาค่ ะ, ะการ ม, ม, ม่ได้การมีอุเบกขามากๆนี่มันบาง จะบอกว่าไงดีบางครั้งมันดูเป็นเหมือนคนใจแข็ง<จ>ต้องรู้ต้องรู้จักเวลาใช้มันไงเวลาที่เวลาที่ไม่ควรใช้อุเบกขาก็อย่าใช้ใช้เมตตาแทนค่ะใช้กรุณาแทนแต่ถ้าใช้เมตตาหรือกรุณาแล้วทําอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาไ ม, ไม่ใ ห, ห้ไม่ให้ใจเราทุกข์ไม่ให้ใจเราทุกข์ก็คืค่ะอยากจะช่วยเขาล้วช่วยเขาไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กับเขาน เขาใจ้โอเบคาว่ามันเป็นกรรมของเขาอเนื้อเป็นเรื่องสุดวิสัยของเราที่เราทำอะไก็ได้การที่เราไปทุกกับเขาเนี่ยอ่อการผิดแล้วเออ้ไปสร้างความทุกไปให้กับเราตอนนั้นเราต้องทําเราต้องทําอเบคาโเบคาเนอะโอเบคาอย่างเดียวออค่ะก็เป็นกรรมของเขาเขาจะทํากรรมบันไดไว้เขาไม่ต้องไปรับผลของกรรมนั่นไป ค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้จะถามอะไรแต่ว่าหนูมีเรื่องเล่าได้ไหมคะอาจารย์วันนี้ยากเลยเพราะว่าเวลาอ๋อได้ค่ะได้ค่ะยังเป็นคนที่เขารออยู่หลคนอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้จามีเวลาเหลือค่อยเอาก็ได้นะได้ค่ะได้ค่ะกราบสาธุค่าวไปที่ท่านต่อไปคุณเหมีว เดียวก่อนเราขอโทผ่านคุณชาินทอนก่อนชรินทจากแมรี่แมริ่แลนด์อเอเกลับมาสักการ์พระอาจารย์ค่ะยมเลยยมเลยอยากไัไลก็พระอาจารย์ค่ะยมมีคำถามหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าสติเนี่ยมันอ่อนนะคะ แล้วไม่สามารถที่จะทำให้สมาธิรวมลงได้แต่ในขณะเดียวกันเราเดินปัญญาโดยการพิจารณาตัวเองพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาความไม่เที่ยงของตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เรากลับมาสติเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วสามารถทำให้จิตรวมลงได้การที่เราจะเดินปัญญาโดยที่ไม่มีสติก่อนหน้านี้มันจะกลับมา คือหลังจากที่เราจิตสามารถลงไปรวมได้อีกมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราสร้างปัญญาได้เร็วขึ้นไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันต้องย้อนกลับมาเข้าเข้าสมาธิก่อนคือปัญญากละสมาธิมันก็ละเรื่องกันนะปัญญานี้เกิดจากความนึกคิดนึกคิดไปในแนวของไตรักก็จะเกิดเป็ปัญญาขึ้นมาส่วนแนวสมาธิก็คือหยุดคิดมั น, ม, นมันเป็นคนละแนวกันค่ะพระอาจารย์ แต่หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้สมาธิโยมไม่ค่อยเข้มแข็งแต่ว่าโยมพิจารณาไตรลักษณ์จนบางทีเห็นนิมิตเป็นอสุภะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบางครังอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งที่สมมติว่าสมมุติว่าเมื่อวานโยมมีเรื่องคิดมากก็เลยไม่สามารถนั่งสมาธิให้สงบได้แต่ถ้าวันนี้ทั้งวันโยมพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาร่างกายแล้วคืนนี้โยมนั่งสมาธิใหม่แล้วจิตมันรวมลง ในขณะที่จิตรวมลงเนี่ยความรู้ที่ได้จากการเจริญปัญญาในระหว่างวันจะมาสามารถช่วยทำให้มันเดินก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้นไหมคะหมายถึงว่าตัวจิตจะเป็นตัวพิจารณาได้ก้าวหน้าโดยเร็วขึ้นไหมคะคือตัวปัญญามันก็เป็นตัวที่จะมาช่วยเรากำจัดกิเลสทำให้เราก้าวหน้าได้แต่เราต้องรู้จักว่าเรากิเลสตัวไหนมันขึ้นมาก่อนนะต้องเอากิเลสที่มันปรากฏขึ้นมาจริง ไม่ใช่ป้อนกิเลสตามที่เราเนึกคิดอ๋ออ่าใช่เวลาพอเราทุกกับลูกเนี่ยปัญญาต้องออกมาแล้วลูกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลูกของเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องตายจากเราไปเราจะไปทุกข์กับเขาทังไมค่ะโยมเองยังไม่เที่ยงเลยอ่นั่นแหลอะอ่นั่นแ่ะ <laughs> เวลาคิดตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์้มันเป็นเหมือนการซ้อมเป็นการทำการบ้าน แต่ต้องเอามาใช้เวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงเวลาที่ทําให้เราไปทุกข์ใจขึ้นมาตอนนั้นนะต้อใช้ปัญญามาดับความทุกข์ให้ได้ค่ะค่ะถ้าเราไม่คิดไเรื่วงหน้าก่อนเราก็อาจจะไม่รู้จะจะคิดยังไงจะแก้ยังไงแต่พเรากคยคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังหน้านตาเราเกิดปั๊บก็เอาอนิจจังทุกขังหน้านตามาใช่เลย อย่างนี้ก็คือเท่ากับว่าโยมก็ควรจะพิจารณามันทุกด้านในในทางสมาธิก็นั่งให้นิ่งนั่งให้สงบ ใ, ใ, ในแต่วันแล้วก็ในช่วงเวลาประจําวันเราก็พิจารณาใช่ทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ามาตลอดเวจอะจะไปบังคับให้เขาเทีงไม่ได้อนา้าตาค่ะพระอาจารย์ค่ะก็โยมก็พอได้แนวทางแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้ว ประกาบ <Okay. S 2> นมัสการเจ้า <Okay. S 2> ค่ะโอเคสาธุจ้ค่ะคนอะไรตากเปนมีวอไรนเนหมีงัน่ก่อนยากนวอ่ค่ะกลาวนมัสการเจค่ะพอะดีรู้สึกตื่นเต้นยุนยุนนทบุรีค่ะปกติปเป็นคนอุบล <Okay. S 1> อ่าปกติแรกจะเข้ามาฟังเฉยเฉยแต่พอดีเอ่อปกติช่วงนี้ทำงานมาก็แบบเหนื่อ ย, อยแล้วก็เวลานอนก็จะ ปกติบางท่านอาจจะถูกกระจลิตกับพุดโธแต่หนูนี่จะถูกจริตกับต้องตายฉัน ต, ต, ต้องตายต้องตายแบบบริกรรมตลอดแล้วก็แบบมันเหมือนไม่ได้นอนนะคะ่ะพระอาจารย์มันเหมือนเราตื่นตลอดเวลาจนต้ตนถึงเวลาตื่นศพมันต้องตื่นแบบถ้าตื่นทํางานก็ประมาณเจ็ดโมงช้ามันเหมือนจะตื่นก่อนเจ็ดโมงช้าอัตโนมัติตลอดแต่ว่าเวลาตื่นมามันเหมือนกับปีกระเปาะ๋าช่วงช่วงเนี้ยค่ะที่ภาวนาก่อนนอนตลอด มันมันไม่ได้ตื่นมันไม่ได้นอนนะค่ะแต่รู้สึกว่าร่างกายมันมีสติมันมีสติค่ะเหนก็เลยมันการนอนแบบมันนอนแบบนอนแบบมีสติก็ไม่ได้หลับแบบแบบแบบไม่รุ่งเรื่องเลยนั่นแหะแบบไม่มีสติแต่ว่ามันเหมือนคิดทั้งคืนแต่มันแต่มันก็มีเหมือนตัวรู้รู้ตลอดเวลาแต่แต่เวลาตื่นนอนเนี่ย ก็ปีกระเป๋าเหมือนนอนพักเต็มที่เต็มอิ่มนะคะก็ดีถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นปัญห า, าก็ก็เคยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยสอนมาแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากนะักเพราะว่าทำงานหนักแต่เวลามันนอนไม่หลับเหมือนเหนื่อยเงี้ยก็ภาวนาว่าต้องตายต้องตายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเป็นเขาเรียกสติอัตโนมัติหรือเปล่าคะพระอาจารย์ ก็เริ่มมีสติมากขึ้นจอจะัตโนตัหม่ก็ไม่รู้นะขอมันมีตลอดเวลาเรื่องสติอัตโนมัติไม่เลอเลยแต่จะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือน <c oughs> ช่วงนั้นอาจจะแบบปฏิบัติเรื่อยๆแบบติดต่อกันประมาณสองสาเดือนขณะที่วุ่นวายแบบทำงานวุ่นวายอยู่ๆเหมือนหายไปในอากาศเหมือนไม่มีความคิดเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ แล้วแล้วทีนี้แบบเริ่มเอออ่ ะ, อะเราเป็นอะไรแบบนี้มันก็เริ่มมีตัวมี ต, มตขนขึ้นมาช่วงนั้นเขาเรียกเป็นอนัตตาหรือเปล่าครับา่าช่วงนั้นมันปล่อยวางนะ อ, อ๋อมันปล่อยวาง <ส zeit. S 1> ช่วงเก่าค่ะแต่มันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยเพราะว่ามันมีความอยากเป็นแบบนั้นอีกอย่าไปอยากให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยาก อนาคนมันจะเป็นไงช่ไหมปัจจุบันทำจิตให้ว่างก่อททำจิตให้ว่าหยุดคิดหยุดอะไรต่างๆยอมหยุดเย็นใช้สูตรสามยอมประจัยมยอมหยุดเ <ạ. S 1> ย็นยอมหยุดเย็นยอมแพ้แพ้เป็นพาชนะเป็นมาร <ạ. S 1> หยุดต่อต้านหยุดต่อสู้รู้เฉ ย, เฉย หยุดใจหยุดใจนิ่งใจก็ว่างเย็นสบายจะหยุดด้วยพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่พุโทโธหนูไม่ค่อยลงเท่าไหรไ่นะตายตายตายตายไปตายหนูลงง่ายใช้ตายได้ภาวนารูสติเหมือนกันเหมือนกับพุโทโธแล้วแต่เจริญแบบวันหน้าชอบชอบไม้ตาย พุโทโธพุโทโนี่สำหรับพวกศรัท ธ, ธาเฉลต์คนที่มีศรัท ธ, ธาคนที่ชอบเชื่อนู่นเชื่อนี่นชื่อใช่ก็จะชอบชอบพุดเธอกันแต่คนที่ชอบความตานี้ก็เป็นพวกปัญญาเฉลต์ชอบของจริงเขารียกพุทธเจริญเนี่ยก็ได้ถ้ามันตามใจที่ทําให้ใจเราว่างใจเราหยุดคิดปุ่มแต่งเราเน่งได้ก็ใช้ได้ อีธานีใช่ไมเดยจะไปที่ทางกลัไปโอเคคุณไปยูเมื่อกี้ได้พูดแลวได้ถามแล้วใช่ไคุณไปยูเอาไปที่คุณกระอนต่อนะคุณขรอนเชิญอยู่ที่ไหนอยู่ิญาค่ะกรรมการทัอาจารย์ค่ะ ตอนนี้มีคำถามค่ะพระอาจารย์คะที่จะทําให้เราไม่งุ้งซ่านไม่คิดร้ายต่อคนอื่นแล้วก็ชอบมินทาในใจคนอื่นตลอดเวลาเป็นยังไงก็ใช้สตินี่แหละหยุดมันทำพุทโธพุทโธไปเวลามันจะนินทาใครมันจะคิดล้ายกับใครกับพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดมันมันเวลากว่ามันจะหยุดมันจะนานมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ทำใจเย็นๆนั่นเลย พราะว่าสติเรามันมีกาลังอ่อนมากเลยมันก็เลยเราไม่ฝึกสติมาก่อนมันก็เลยทําให้หยุดยากหยุดช้าแต่ถ้าเราฝึกมาก่อนฝึกพุทโธพุทโธมาก่อนพอท่องพุทโธไม่ไม่กี่คํามันก็หยุดได้เล ย, <า> ย, ยพยายามพยายามฝึกสติฝึกพุทโธให้ ม, มากๆแล้วเดี๋ยวเวลาเกิดอารมณ์ลายขึ้นมาเราท่องพุทโธสองสามคำมันก็หยุดได้เลยแต่ก่อน ก่อนที่ว่าจะได้ท่องพุโทโธมันก็คือจะมีบอกว่าคือต้องคิดไร้กับคนอื่นก่อนใช่ไหมคะมันต้องมีเราซ้อมไว้ก่อนไงซ้อมไว้ก่อนฝึกสติไว้เบือนตามขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปฮัดฮัท่องพุโทโธไปวในใจให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาอแล้วพอเกิดความคิดไร้ขึ้นมาก็ใช้พุโทโธพุโทโธเลยออถ้าเราไม่ท่อไว้ก่อนถึงเวลามันท่องไม่ออกอ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์ก็คือแบบคิดไม่ออกคือมันไปเลยคะ่ะเอมันจะตามไปกับอารมณ์ใช คือร้ายไปคือสะดอยกับเปิดบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็ยังไม่ทำอะไรไ<ม>เลยอะไรเงี้ยก็ร้ายไปเนี่ยเราฝึกฝึกก็ฝึกพูดโธไว้ก่อนพยายามทพุโทโธบ่อยๆทั้งวันเก่ดขึ้นมาก็เริ่มเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอาจารย์แล้วเดี๋ยวต่อไปเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ใช้พุโทโธแป๊บเดียวก็หยุดได้าอาหมแล้วใช่ไหมหมแล้วค่ะอาจารย์โอเคบค่ะออ่า ก็กลัวใบหยกเชิญ Alice, ายาแออฮอล์ใบหยกผู้ขาการนมัสการค่ ะ, อะเออยังไงเด็กๆสบายดีทุกวันนะส บ, สบายดีค่ ะ, ะทำกันบ้านเสร็จหรยังกำลังามอยู่จ้ะค่ะทำไม่เสร็จเด็กกันเด็กขนาดนี้ละการบ้านหลายวิชา ช่วงนี้เป็นวันหยุดให้ให้ทำการบ้านครับยี่สิบยี่สิบกว่างานครับโอ้โหพยายามตั้งใจเรียนนะตั้งใจทำการบ้านค่ะต้องาสบายดีไหมคะก็ยังหายใจได้อยู่นะสูๆมีคำถามอะไรไหมไม่มีไม่มีค่ะเข้ามาฟังสมาแล้วก็มากราบตา คนใส่บานคนใส่บานให้เขาก็บอกว่าตูพาฝักมาใส่ให้นะถ้าไม่มีอะไรก็เอาท่านีก่อนหน้าขอรับสารคุณภาพด้วยนะคะขอรับารคุณภาพแข็งแรงนะคะไปที่คุณกาแฟต่อเลยกาแฟก็อยากสุราธานีน้ำมัสการค่ะอาจารย์มีอะไรไหย ไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยวสรุปครับสรุปเรื่องศีลแปดครับก็ได้ได้จากพี่ที่เขาถามแล้วก็ เ, เรื่องเรื่องเรื่องเจริญสมาธิครับเจริญสมาธิก็คือเหมือนเป็นแบบพี่วิชัยที่เขาบอกว่าคือผมจะที่ที่ลองที่ลองเราได้ผลก็คือว่าลองใช้ปัญญาครับแปล ว, ว่าคิดตัวเองป็นโครงกระดูกครับ แล้วก็จิตมันก็ปล่อยวางได้แต่คือผมก็ไม่มีแนวทางว่าทํายังไงแต่ว่ามันทําได้แล้วใจเราสงบอะครับคือได้นิดเดียวครับคือเหมือนเป็นปัญญาอบรมสมาธิครับก็ดีทําังนั้นดกระทำได้ได้เล็กน้อยครับอาจารย์แล้วก็จิตมันสงบแล้วใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวว่าลองจะดูทําทําต่อดูก่อนนอนอะไรอย่างนี้ยครับมันทํามันเบรกงานเอาปัญญามารวมแล้วก็คือผมจะถนัดโครงกระดูกอะไรเย่างนี้ครับจะจะแบบ ใช่ทำ้มันถ้ามันสงบก็ใช้ได้ครับแล้วก็ก็เหมือนพี่คนหนึ่งผู้หญิงที่ขาก็เป็นเคยเป็นไอเนี้ยครับมันนั่งสมาธิไม่ได้แต่ว่าการจะเบาวกว่าก็ก็คือทำในท่านอนครับผมได้ครับวันนี้ไม่มีอะไรครับอาจารย์คนเดียวครับขอพระอาจา<ด>รย์สุขภาพแข็งแรงครับอออนจิวแล้วออนจิวยนอยู่ที่ไหนยังไม่ได้เปิดไม้เลยเปิดไม้นะ สวัสดีครับพระอาจารย์ผมเป็นคนกรุงเทพครับอมีคำถามไหมผมเป็นนักดนตรีครับหลงโลกมาสามสิบสามปีก็ป่วยเป็นสะเก็ดเงินครับช่วงแรกทำใจไม่ได้ครับเพราะว่าหลงโลกแบบว่าร0อยเอร์เซ็นเกินร้อยเปอร์เซ็นครับเล่ายาผิดสินทุกข้อยกเป็นข้อหนึ่งครับหลังจากนั้นก็รักษาทุกทางไม่หาย ทำใจไม่ได้ก็ต้องรักษาทางสุดท้ายก็คือคุมอาหารครับแล้วก็กินได้แค่ผักกาดหมูแล้วก็ดอกเกลือเล่ายาสังคมทุกอย่างต้องเลิกครับแล้วก็ฝึกคือตอนนั้นอยากตายเป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกอยากตายครั้งที่หนึ่งตอนมอสองถูกพระอาจารย์กระทาช้ำเราตอนเด็กครับแต่ว่าตอนเรียนหนังสือครับแต่ครั้งที่สองคือครั้งนี้ในตอนอายุสามสิบสามคือ ก็ผมอยากตายเพราะโลกสะเก็ดเงินครับเพราะว่ากินอะไรไม่ได้เลยกินได้แค่น้าร้อนเครื่องปรุงทุกอย่างกินไม่ได้ครับหลังจากนั้นผมก็เลยพบคําสอนของหลวงพ่อปามโมทครับก็เลยปฏิบัติมาตลอดสองปีที่ผ่านมาครับทุกวันดูจิตแล้วก็ทําในรูปแบบทุกวันเช้าเย็นครับช่วงหลังเพิ่มช่วงเช้าด้วยเพราะว่า พอดูจิตได้สักพักแล้วก็ช่วงแรกไม่เข้าใจครับผมมาจากอีกโลกหนึ่งผมมาจากโลกของความลงครับดูจิตมาสักพักหนึ่งช่วงแรกที่ฝึกคิดว่าเพ่งเกินไปครับก็เลยว่างไปหมดว่างแบบว่าใครจะตายก็ได้ไม่เป็นไรของฉันจะหายก็ได้หรือว่าแฟนจะไปมีคนอื่นก็ได้ครับตอนนี้แฟนไปเรียนต่อที่อิตาลีครับ ก็ยกย้ากันไปแต่ว่าก็ยังติดต่อเป็นที่น้องผมอาจจะตื่นเต้นจิตผมดันอยู่ตลอดเวลาที่เข้ามาฟังจนแต่สองถุงปฏิบัติมาเรื่อยๆนะครับเคยเห็นตัวเองห ล, ลับเบวหัวหลอกหนึ่งครั้งครับก่อนจิตลุกจากการตื่ น, นครับกายครับช่วงแรกมีความสุขมากครับหลังจากปฏิบัติตกงานเพราะโควิดเพราะผมเล่นดนตรีไม่ได้ครับตกงานมาสองปีก็ อยู่ด้วยความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ถึงใจเท่าไหร่ครับเหมือนทุกข์ที่ไม่มีงานเหมือนแต่ก่อนไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นอะไรเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้ใจค่อนข้างเฉยเฉยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรช่วงแรกที่ปฏิบัติจนเคร่งมากๆผมรู้สึกผมขยะกขยแ ย, ยงคนรอบข้างที่เห็นความหลงผมไม่อยากเล่นดนตรีแต่ตอนนี้คลายลงเยอะแลครับผมหาพระอาจารย์ที่จะสอบถามไม่ได้เลย แล้วเมื่อศึกษาถึงประมาณปีกว่าครับก็เห็นจิตวิ่งไปตลอดวันนะครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นจิตเดินทางวิ่งไปวิ่งมาปุงนู่นปุงนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ลองไม่ลองหยุดบ้างต้องหยุดจิตบ้างนน่าจะมีนะครับก็พยายามดูจิตแล้วก็พักช่วงหลังก็คลายลงเยอะครับก็อยู่กับเพื่อนฝูงบ้างแต่หลังๆก็จะเริ่มแบบว่าเราก็เข้าห้องแล้วก็สวดมนต์นักสมาธิทุกวันอย่างเงี้ยครับ เมื่อวันไหนที่ผมเจอเรื่องกระทบมากมากผมก็ต้องกลับมาทสมาสมาธิก่อนเพราะว่าทำสมาธินะดีที่สุด<ม>แต่คือตอนช่วงหลังเนี่ยครับสมาธิผมคิดว่าสมาธิผมตกหรือเปล่าเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยผมพูดโทตลอดนะครับกับอนาปนาสติดูลงตลอดแต่ว่าใจเนี่ยมันเริ่มผมเริ่มเห็นความโกรธหรือเห็นอะไรตลอดละครับเห็นทุกอย่างเห็นกิเลสแล้วรู้สึกว่า ช่วงหลังเนี่ยเห็นกิเลสมากๆากแล้วสึกว่ากิเลสแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกผิดแล้วแต่แต่ตก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นกิเลสพวกนี้ครับมีเพื่อนบางคนเขาก็เริ่มคิดว่าผมเพี้ยนไปแต่ใจผมน่ยตื่นแล้วคือว่าผมเห็นแล้วว่าโลกนี้มันมันไม่มีอะไรน่าอยู่ครับยิ่งมาในช่วงวันเนี้ยครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยคือบ้านผมติดโควิดทั้งบ้านนะครับแล้วก็ แม่แม่กับพี่ชายเพิ่งถอดเครื่องออกซิเจนนะครับวันนี้เพิ่งเข้าบ้านแต่ว่าสิ่งที่วันนี้กระทบคือตอนเช้าคุณน้าเนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวแนละ้วเขากำลังจะเขากาลังจะสิ้ น, นครับกำลังจะตายผมก็ผมก็กลัวจิตสุดท้ายเขาจะไปในทางที่ไม่ไม่ดีก็เลยบอกว่าเขาพูดโทรแต่ผมเคยผ่าตัดและรู้ว่าเวทนานทางกายเนี่ยมันค่อนข้างทรมาน ร อ, อผมก็ขนาดตอนผมช่วงสองปีผมได้สอบอารมณ์หลายเรื่องครับช่วงมีพอดีมีไส้ติ่งแตกแล้วอยู่คนเดียวก็เลยอเอ า, เอาแค่นด้ก่อนก็แล้ว ก, ก, กันนะเพราะว่ามีคนอื่นเขาร อ, ออ๋อครับหลู่พ่อ<น>คือผมจะถามว่า<น>ผมควรจะปฏิบัติยังไงต่อดีครับผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นการเจริญปัญญาหรือว่าวิปัสสนูกินครับก็ตามใจเรา ไม่ไม่ไม่สงบมันก็ยังเป็นวิปัสสนูยอยู่ถ้าเป็นปวิปัสนามันต้องทําใจให้เราสงบครับหลวงพ่อเราลูลพิจารณาลงปไปที่ตายรักให้หมดพิจารณาให้เป็นตายรักไปมนครับแล้วทุกวันเนี้ยมันมีปัญหามากเลยครับช่วงหลังๆมันย่างสมาธิแล้วมันโยกตลอดเลยครับเพราะสติเราไม่มีไง ต้องติมพพอใช่ไหมครับรไม่พอต้องพยายามพุโทโธพุโทโธอย่าหยู่พุโทโธอย่านั่งชี้เฉยก็คือง่ายๆว่าพุโทโธตกแล้วก็สมาธิตกถึงพัดหลวงพอ่อ อ, อย่างนั้น<ะ>ลูกก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะครับพยายามเจริญสติเจริญพุโทโธให้มากๆครับโอเคนะขอบคุณมากครับโอเคเชิคุณพิทักษต่อคุณพิทักษ อ่ามันอยู่ที่ไหนคุณพีชาครับมาสการครับผมอยู่สุรินครับผมเพ่งเข้ามาเพิงพ่งเพิ่งเข้ามาฟังอาจารย์ครับก็สอบสอบถามเรื่องที่ตั้งของจิตนะฮะว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนเพื่อให้จิตสงบได้เร็วนะฮะก็ ถ, ถ้าเราเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่ก็ตั้งอยู่กับพุทโธก็ไดนะ้ เรื่ตั้งอยู่กับร่างกายก็ได้ตั้งอยู่กับร่างกายแล้วเราทําอะไรก็ให้รู้ว่าร่างกายกมันทําอะไรอยู่ให้จิตอยกับร่างกายถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็ต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอ๋อครับทุกขณะจิตใช่ไหมฮะได้ถ้าดัดเตะขึ้นมาเลยถ้าดัดเลื่อมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วพฝ้าดูล่างกายไปครับผมแล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูลมแล้วก็ได้นึกพุโทโธก็ได้ ครับผมท่านี้นะมีเวลาไหมก็ส่วนมากก็เวลานั่งก็จะจะค่อนข้างอาจจะบอกแวกเร็วก็เลยกําลังกําลังหาที่เกาะติดแต่ได้รับคําแนะนําแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับผมอถ้าฝึกสติไปให้มากๆแล้เวลานั่งมันจะไม่บอกแวกมันจะเน่งเล็วครับผมครับผม โอเคนะครับผมขอบพระคุณมากครับชันตวิสาเชิญจากสวิตเซอร์แลนด์วันนี้อยู่อยู่ปลายแถวอะไรวันนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะกล่าวน้มักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้เข้ามาเช้ามีเอ่อทำภารกิจค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เข้ามาฟังช้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เข้ามากล่าวพระอาจารย์ค่ะใช่ท้าทุกอย่ะไปที่คนสุดท้ายคุณยศินตคุณยศิต มีอะไรจะถามไหมครับครับอาจารย์อยู่ที่ไหนนั่นเลยไหมอยู่บางแสนครับอาจารย์แต่ตอนนี้กลับมาอยู่กับกลับมาอยู่บ้านที่ที่จังหวัดตรังครับพระอาจารย์กลับมากักตัวสองอาทิตย์กว่าแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านครับอือยู่ที่คใต้ไม่ไม่ไม่มีคําถามอาจารย์มากลับพระอาจารย์เฉยๆครับอาจารย์ ในงานก็ขอไปที่คุณดาต่อเลยนะคุณด า, <อ>ามีเฟซบุ๊กมีคาถามมีคำถามอันนี้มีทั้งหมดสิบสองคำถามจาก Facebook และ YouTube เจ้าค่ะาว่งามาเลย <c oughs> คำถามแรกจากคุณอมพร <c oughs> เมื่อนึกถึงการตายจากของพี่น้องทั้งที่ยังไม่ตายก็ร้องไห้น้ำตาไหลหมายถึงจิตอ่อนใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จิตคารุเบคา ต้องฝึกสมาธิให้เยอะๆให้จิตนีวิเคราะหแล้วพอคิดถึงเรื่องการสูญเสียการพัาดทากยากกันจะเฉยๆได้คำถามต่อไปจากคุณวิไลนมัสการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามโยมสวดมนต์ใช้เวลาประมาณสองสมชั่วโมงกว่าตอนสวดมนต์โยมมีสมาธิมากกว่าตอนนั่งภาวนาถึงแม้นว่าตอนนั่งภาวนาอยู่จะพุโทโธ แต่จิตไม่นิ่งโยมควรทำอย่างไรดีถึงจะให้จิตนิ่งเจ้าคะก็ดูลงหายใจเขาเอกเฉยๆได้ไหมหรือนนจะสวดวนต่อไปก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดคำถามต่อไปจากคุณคิตตี้จะขอโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูมีปัญหาคือไม่อยากมีความโลภเกิดขึ้นในใจแต่เนื่องด้วยงานและภาระที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คนหลายคนจึงต้องฮาร์ดเซลเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งเนื่องด้วยสถานการณ์ขณะ น, นี้ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเพื่อช่วยให้หลายคนรอดด้วยแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากขัดกับการปฏิบัติในใจคืออยากจะสละความโลภให้น้อยลงหนูควรวางใจแบบไหนเจ้าคะก็มันเป็นความตาเร็วๆในสวก็ต้องตายกัยน เรกไปทําไมเรกไปแล้วรออะไรไปได้หรือเปล่าลองถามตัวเองดูทำพอมือพอมีพอกินกพอแล้วคำถาต่อไปจากคุณโดด้ากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจะแก้อาการน้อยใจอย่างไรดีเจ้าค่ะกราบสาธุค่ะอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วก็จะไม่น้อยใจที่น้อยใจเพราะหวังให้เขารักเราชอบเราหวังให้เขาทํานู่นทํานี่ให้กับเรา เราก็ไม่ทําให้กับเราเราก็เลยน้อยใจถ้าไม่หวังเ้าเราก็จะไม่น้อยใจ่สุกใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดคําถามต่อไปจากคุณทวัชชัยความไม่อยากก็คืออยากอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็มันเป็นวิภาวดานาน <c oughs> ถ้าไม่อยากอะไรเลยนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นความอยากก็ได้ มันก็พูยากเพาภาษามันพูดแลบางทีมันเข้าใจยากนั่นอยู่ที่อยู่ที่เจตนาว่าไม่อยากแบบไหนอไม่อยากแบบไม่ต้องการมีอะไรเลยออย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้ก็เถือว่าไม่ไม่ได้เป็นความอยากอยู่กับความว่างอยู่กับคามไม่มีอะไรได้อย่างเงี้ยไม่ไม่มีอะไรก็ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่อยากเพราะว่า ไม่ชอบสิ่งนั้นแล้วก็ไม่อยากได้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสคำถามต่อไปจากคุณศิริวัลถ้าดูจิตอย่างเดียวไม่ใส่บาตรทำทบุญถือศีลห้ายังไม่ครบจะก้าวหน้าในการปฏิบัติถึงนิพพานไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราดูจิตแล้วเราหยุดกิเลสได้หมดหรือเปล่าถ้าดูจิตถ้าหยุดกิเลสได้หมดก็ถึงนิพพานได้ คำถามต่อไปจากคุณจอนกลาบเรียนถามพระอาจารย์ครับสำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่สมาทานศีลอุโบสถตอนที่อยู่ที่วัดแล้วตอนกลางคืนกลับบ้านไปนอนที่บ้านได้ไหมครับขอบพระคุณครับถ้าถือศีลอุโบสถก็ต้องนอนที่อุโบสถอันนี้เป็นธรรมเนียมของศีลอุโบสถถ้าเราจะกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็ถือศีลแปะมันก็เหมือนกันนะเแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่นอนที่โบสถ์ อุโบสถก็แปลว่าโบเนี่ยมันจะกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็ถือศีลแปดไปมันก็เหมือนกันศีลแปกับศีลอุโบสถก็เหมือนกันต่างตรงที่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่อุโบสถเราก็เรียกว่าศีลอุโบสถถ้าอยู่ที่บ้านเราก็เรียกว่าศีลแปดมันก็เป็นศีลแปดเหมือนกันทัน้งสองอย่างคำถามต่อไปจากคุณสุทธิพงศ์กราบนมัสการพระอาจารย์ การอยู่กับปัจจุบันขณะที่ถูกต้องต้องทําอย่างไรครับให้รู้เฉยๆแม่คิดอะไรไม่รู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่น้างหน้าแปรงฟันก็ล้างไปแปลงฟันไปก็แปรงไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามต่อไปจากคุณวันจะใช้ทำข้อไหนคะรู้สึกสับสนกับชีวิตสิ่งแวดล้อมเหมือนจะไปไม่ถูกเจ้าค่ะ อก็ใช้ทาคือสตินเพื่อทำใจให้เราสงบแล้วก็ปล่อยวางสุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เทีย่ยมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของธรรมชาติไปมองว่าเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศไปคำถามต่อไปจากคุณจิรัตกลาบนมัสการเจ้าค่ะทุกวันนี้ยมสวดมนต์เพียงเล็กน้อยโดยทบทวนบทสวดปฏิจจสมุปบาท ตามด้วยบทบาละมสา0สิบทัดเป็นประจำแล้วจึงนั่งสมาธิตั้งเวลาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงครั้นเวลาอยากออกจากสมาธินาฬิกาปลุกก็มักจะดังพอดีกันแบบนี้ใช่เรียกว่าเป็นการกำหนดจิตไหมเจ้าคะอ๋อไม่หรอกการการตั้งนาฬิกาปลุกก็เป็นการเตือนจิตเราจะนั่งแค่เวลาเท่านี้นั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณเกษมคุณากิเลสผมเยอะมากครับไม่รู้จะทำอย่างไรมีโทสะโมหะโลภะกามลาครั บ, บรบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติแล้วก็ฝึกปัญญาแล้วก็จะละพวกความรบกวนล ง, งต่างๆเหลนี้ได้คำถามต่อไปจากคุณสีไยมีพุทโธตลอดเวลาเท่ากับ รู้สึกตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับถ้ามีพุโทโธอยู่ตลอดเวลามันกมันก็ไปคิดเรื่องอะไรไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกอยู่ของพุโทโธตลอดเลมีคำถามเพิ่มเข้ามา2คํคำถามเจ้าคะ่ะคาถามจากคุณบรรเจิดตอนนั่งสมาธิมีปัญหาน้ำลายไหลออกม า, มามากครับเป็นบางครั้งต้องคอยกลืนน้ำลายตลอดเราจะแก้ไขยอย่างไรดีครับ อย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปสนใจที่น้ำลายถ้าดู ล, ลมนก็ดูไปถ้าพุ้ตโต้ก็บุ้เโอไปส่วนน้ำลายมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไ ป, ไปตามเมื่อวานคำถามสุดท้ายจากคนณภัยวันโยมไม่สบายนอนป่วยติดเตียงจะนอนสวดมนต์ได้ไหมเจ้าคะได้นอนสวดมนต์ได้ถ้าั่งไม่ได้ก็นอนสวดไปมไ ห, มหมดแล้วเจ้าคะ่ะคุณสอนอยู่ร่มใช่ม ทุกคนดูจะถามอะไรไหมไปไม้หรือยังไปไม้ก่อนไม่มีค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามอะไรเละอาจารย์ค่ะสบายดีนะสบายดีค่ะโอเคก็คิดว่าคําถามทั้งหลายก็ได้ตอบไปหมดไปทุกคนนัาเวลามันก็ใกล้กจะหมดพอดี ก็คิดว่าขอขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพยยินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ